ต่อจากเมื่อวานนี้นะโมทนาท่านทั้งหลายขวนขวายกันทั้งที่เจ็บเจ็บป่วยป่วยกันก็ยังควนขวายที่จะศึกษาประธรรมกันนะโมทนาการบรรลุธรรมน่าจะไม่ยากสาหรับพวกเราสักเลอเมื่ <c oughs> อ, อวานบารอบในเรื่องของสติปัฏฐานนสูตรก็เลยเอาในสติปัฏฐา น, นสูตรหลายที่มา มารวมๆกันแล้วก็มานั่งคุยกันเนาะมหาสติปทานาสูตรนี่เป็นพระสูตรในลําดับที่ยี่สิบสองแห่งทีขณิกายในลำดับที่เก้าแห่งลลดัมพีมหาวรชในสูตรนี้ใครเป็นผู้สแสดงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สแสดงผู้ฟังคือใครคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาชาวแควนกุรุวันเวลา ไม่ปรากฏแล้วก็สถานที่แสดงก็เรียกกรรมมาสมาธรมนิคมก็คือแฟนกุรุนั่นแหละสาเหตุที่พระองค์ทรงแสดงก็เพราะเป็นทรงเห็นว่าชาวแคนกุรุเนี่ยถึงพร้อมด้วยปัจจัยที่เรียกว่าสปายะมีอุตูสปายะเป็นต้น คือปัจจัยภายนอกก็ดีและปัจจัยภายในคือสติปัญญาที่สามารถเข้าใจเนื้อความพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งก็ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่าคนที่มีสปายะเนี่ยเช่นอาวาสสปายะมีที่อยู่ที่เหมาะสมแล้วเนี่ยไม่เดือดร้อนในการขวนขวายหาที่อยู่อาหารแสปายะไม่ต้องไปดิ้นดนขวนขวายในการหาอาหารเนาะอาหารสปายะ อุตุสปายัก็คืออากาศอากาศที่มันเหมาะสมเอื้อต่อการที่จะจะเกิดสติปัญญาได้ง่ายอุตตุบางอย่างบางคนเป็นนั่งแล้วเครียดร้อนไงโอ้ยฟังธรรมะไม่เคยรู้เรื่องเลยอย่างนี้ไปต้นแล้วก็โคจราสปายักก็คือสถานที่ที่โคจรเที่ยวไปก็สะดวกเอื้อต่อการเจริญสติสัมปชัญญะ บุคคลส ป, ปายะในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นบุคคลที่มีกายสุจริตวิญญาสุดจริตมโนสุจริตถ้าไปงั้นคนที่ได้ศีลศีล ส, สังวร อ, อย่างดีแล้วเนี่ยงั้นเวลาจะไปแสดงคําสอนในชั้นของสถิปติฐานนี่ไม่ยากแล้วแต่คนบางคนได้ยังโอ้โหเรื่องศีลก็ไม่รู้เรื่อง แล้วยังเบียดเบียนกันปทุสร้ายกันข่มเหงกันเนี่ยจะไปคุยเรื่องอะไรนะคุยเรื่องการที่จะมากำหนดลมเ อ, อ่ยรู้กยใดกายเวทนาโอ้โหไปไม่เป็นเนี่ยฉะนั้นชาวคว้นก็รู้เนี่ยเขามีศีลสังวรค่อนข้างดีและเป็นพื้นฐานบุคคลก็สบายะักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยแสดงนะแสดงในพระสูตรเนี่ย ปัจจัยภายในคือสติปัญญาสามารถเข้าใจเนื้อหาพระธรรมเทศนาได้ล็กซึ้งผลปรากฏผลปรากฏเมื่อแสดงสูตรนี้จบมีภิกษุสาม0 0ื่นรูปบรรลุอรหัตผลไม่นับคารวดเฉพาะภิกษุเนี่ยสามหมื่นรูปรรนาาะนมมนปนที่แควนกรูอรัลบอรเอรใช่ไหมฟังแล้วน่าตื่นเต้นบรรลุมากนะสาม0 0ื่นเนี ในสูตรในที่พระเจ้ทาทรงสแสดงบรรลุไปสามหมื่นฉะนั้นมหาสติปฐานสูตรดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นในลำดับที่ยี่สิบสองทีคณิกายคำพีมหาวัตรลำดับที่เก้าเป็นหนึ่งในบรรดาพระสูตรที่มีเนื้อหาลึกซึ้งสุขุมกับภีละพาพระอธกถาอาจารย์ระบุว่าในทีคณิกายมีเพียงอยู่สองสูตรคือมหานิทานสูตรกับมหาสติปทานนนสูตรที่มีความยาวเนาะ สาเหตุที่พระธเจ้าทรงเลือกภิกษุภิกษุณีวาสกบสิกาชาวแคนกุรุเนี่ยเป็นพุทบริษัทผู้ฟังธรรมะพระเถราถาาจารย์ท่านกระระบูบอกว่าเนื่องจากทรงเห็นว่าชนชาวกุรุรัตเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายสรุปอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้ได้ดุนเยียภาพเนาะ ดุจยาวาพในปัจจุบันบางทีเราจะได้ยินเรื่องของสุขภาวะสุขภาวะทางกายกับสุขภาวะทางจิตเดี๋ยวนี้ถ้าสุขภาวะเนี่ยมันต้องคุมหลายเรื่องด้วยนะคนที่มีสุขภาพกายก็ไม่ดีอนะี่ยจิตใจแย่คนที่มีสุขภาพจิตแย่พลอยให้กายลําบากไปด้วยเนะี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นพวก ด้านสุขภาวะเป็นยังไงด้านกายเป็นยงไงโอเคไหมด้านใจอ่ะเป็นคนที่ซึมหดหู่ท้อถอยเซ็งเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้มีถีนมีทะกดตลอดก็มีนะบางคนเป็นคนเซ็งเป็นคนเบื่อเป็นคนหงอยเป็นคนเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเคยเป็นไหมอาการแบบนี้เป็นใช่ไหมอาการแบบนี้อาการแบบนี้ก็สุขภาวะทางจิตเนี่ยไม่ดี ไม่ค่อย ล, าลย่าเืมจิตใจไม่ค่อยแช่มชื่นฉะนั้นบุคคลที่มีสุขภาพกายและจิตเนี่ยสามารถดีเนะี่ยก็เลยเป็นเหตุแห่งการฟังพระสูตรที่ลึกซึ้งได้ชาวแคนกรุปเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็เสด็จจาริกก็ไปเทศนากรรมฐานที่ว่ากรรมฐานยี่สิบเอ็ดอย่างใช่ไหมล่ะในกายานุปัสนา สิบสี่บับสิบสี่หมวดก็คือแยกเป็นกรรมฐานเป็นสิบสี่อย่างเวทนาเป็นหนึ่งจิตหนึ่งแล้วก็ธรรมานุปัสสนาฆการวมเป็นยี่สิบเอ็ดอย่างเนาะออกมาแสดงโดยเนื้อหาสาระคุมตั้งแต่ปุปพพากปฏิปทาจนถึงขั้นการบรรลนะุอร า, าอราธรรมอรัผลเลยฉะนั้นสถิัฐานเนี่ยเป็นการวางระบบการปฏิบัติควบคุมทุกจุดเป็นกรรมฐานที่ เป็นพระสูตรที่มีความละเอียดลึกซึ้งมากพระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาเนี่ยถามว่าผู้แสดงเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาลึกซึ้งแต่ให้สังเกตดูนะว่า พระธรรมจะดีขนาดไหนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงเองขนาดไหนแต่ถ้าผู้ฟังไม่ได้เรื่องเล่าก็ จ, จบไปไม่เงี้แต่อันนี้สมบูรณ์มากเลยทั้งพระพุทธเจา้าทั้งเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบในการเป็นเจ้าของแห่งธรรมะอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้แสดงธรรมะรู้อัธยาศัยและผู้ฟังก็สมบูรณ์แบบผู้ฟังไม่ได้รอเจ้าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเป็นคนฝึกตนเองมาอย่างดีด้วย อีกเหตุผลหนึ่งพระเจ้าแสดงพระสูตรนี้แก่ชนชาวแคนกุรุก็เพราะเห็นว่าชาวแคว้นกรุเนี่ยแทบจะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงศักดิ์หรือว่าทา่าสกรรมกรล้วนแต่เคยมีการฝึกสติบฐานเป็นพื้นฐานมาก่อนคือพติเดีกาจารนะ์เนี่ยที่ไหวเป็นการฝึกสติตามแนวสติเทศนาที่พระเจ้าแสดงไว้ในพระสูตรอื่นๆนั่นเองหมายความว่าจากสูตรอื่นๆนั้นท่านฝึกกันมาก่อนแล้ว ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมามาฟังสติปัฏฐานและทะลุทะลวงเลยแปลว่าท่านฝึกมาก่อนคือมีสูตรอื่นยอมใจมาก่อนแล้วเช่น mm hmm. ในทานกถาศีลกถาสักกะถาการมาทีนวัคกถานเนี่ยเนี่ยในด้านของทานศีนทั้งหลายเลยเนี่ยท่านฟังกันมาจนเป็นอัธยาศัยแล้วว่างั้นเถิดจนรู้สึกว่าพร้อมแล้วดีกาท่านวางเี้ย ก็แปลว่าในชาวแกรนกูรู้เนี่ยได้รับกลิ่นไอของพระรัตนตรัยมาก่อนเลยว่างกันนั่ น, น, นเออนี่ก็เป็นการเจาะเชิงลึกเราจะได้เห็นว่าโอ้เป็นเป็นมุมลักษณะอย่างนี้ตรงนี้นะเป็นเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายก็จะได้ทำความเข้าใจว่าดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านสติปัฏฐานมีความรู้บริบูรณ์ขึ้น พระรัชกาลเลือกอาพอสูตรนี้มาแสดงให้กับชาวแคนกรุรุในส่วนของเนื้อหาของพระสูตรนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยพระพุทธประสงค์ว่าพุทธประสงค์ที่เรียกว่าอาโภคะเนี่ยถามว่าต้องจับประเด็นสําคัญของพระสูตรนี้ให้ได้ว่าเนื่องจากเป็นคำภีร์หรือว่าในสติปัฏฐานสูตรเนี่ย พระอาจารย์อาจารย์เลยยังบอกว่าเป็นพระสูตรที่ยากยากเพราะเดี๋ยวถ้าเจาะให้ดูแล้วเราจะรู้ว่ายากจะพูดจะพูดให้ยากก็ได้นะเหตุผลที่ว่าจะพูดให้พวกเราได้เห็นรู้สึกว่าอู้เจาะเจาะเชิงลึกจริงๆคำพูดเหมือนไม่ลึกแต่ลึกนะแต่พอเจาะในรายละเอียดเขายกสารฐถะออกมาวิจัยแยกแยะเข้าถึงสภาวธรรมเนี่ย เราจะรู้ว่าโอจึงควรที่ทั้งหลายต้องค่อยๆศึกษาให้เกิดความเข้าใจเนี่ยแคนั้นเนื้อหาสาระทั้งหลายเหล่าเนี่ยเราจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดเพราะเป็นระบบแห่งการประพฤติปฏิบัติถ้าใครเข้าใจสติปัฏฐานสูตรได้คนคนนั้นก็ดําเนินชีวิตได้โดยไม่ยากเลยที่จะเป็นอยู่ได้โดยการมีนิพพานเป็นที่ไปแน่นอนใช่ไหมถ้าเข้าใจในพระสูต ร, ตรนี้อย่างชัด ทีนี้ในพระสูตรนี้ที่ว่าส่วนที่มีความสําคัญที่สุดผู้ปฏิบัติถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วก็จะเป็นการยากที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าใครเข้าใจในสติปัฏฐานสูตรคนคนนั้นจะไปอยู่ในที่ไหนก็จะไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นการฝังอัธยาสายัยคือความเข้าใจในพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชิงลึกเพราะเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาสุ ข, ขุมลุ่มลึกคัมภี์คมภีรภาพ เหมาะแก่การที่จะปลูกฝังไว้เนี่ยเป็นอัธยาศัยเพื่อจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่การดำเนินชีวิตจริงในการประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องดีงามเป็นบทเทียบเคียงในการที่เราไปฟังที่ไหนอย่างไรเราก็จะรู้ทันทีว่าท่านบุนี้หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่มาเทศหรือมากล่าวพระธรรมคำสอนให้กับเราเนี่ยเราจะมีข้อเปรียบเทียบได้ชัดเจนขึ้น ไม่ใช่เอาไปเปรียบเทียบประเพณีโจมตีไปอไรต่างแต่เราจะรู้ว่าเราควรจะคนคนนี้เป็นกัญยาณมิตรหรือไม่นั้นแต่จริงๆก็คือว่าการที่เราจะสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนั้นก็ต้องมีความเข้าใจครบกัญยาณมิตรที่ท่านรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่าผู้ปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ได้เนี่ยก็หมายความว่าปฏิบัทาหรือมักที่จัดว่าเป็นฝ่ายเขต ส่วนนิพานเป็นฝ่ายผลเหตุและผลจะต้องมีความสอดคล้องตรงกันเสมอพระรัองค์เนี่ยทรงเป็นหนึ่งเดียวที่ถึงพร้อมด้วยยถาโูธคุณก็คือสามารถที่มีญาณปัญญาไปแทงตลอดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัจฉริยภาพเนีเป็นอัจฉรยบุรุษเป็นบุรุษที่แทงตลอดอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้ด้วยตนเองฉนั้น การที่เราท่านทั้งหลายจะเข้าใจหรือมีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยการที่เราจะเข้าใจพุทธประสงค์ได้ก็ต้องอาศัยคัมภีร์อัตถกถาและดีกาแล้วก็ครูอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านรู้อถาธิบายของพระบาลีอัตถกถาดีกาได้เป็นอย่างดีที่จะสามารถจับประเด็นคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเนี่ยมาสะดบประเด็นเพื่อประมวลคําสอนนั้นนให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจอย่างลึกไอตรงนี้ยมันยากตรงนี้แหละเนีย ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะใด้ออกตัวนิดหนึ่งว่าบางอย่างก็อาจจะไม่สามารถประมวลให้เราได้เข้าใจได้ยันทองแท้แต่ก็จะพยายามแกะข้อมูลที่นี้ในสถิติฐานที่สุดพระองค์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญประโยชน์ในการเจริญสถิติฐานเนี่ยก็คือจำแนกสติออกมาเป็นสี่ตามลำดับของอารมณ์สี่ประเภทก็คือกายกายเวทนาจิตและธรรมะถ้าพูดถึงกายเนี่ย ก็ได้กลุ่มอวัยวะน้อยใหญ่ในกายเนี่ยก็พูดตั้งแต่คือกายคือลมหายใจเข้าออกกายคืออียบทสี่กายคืออียบดย่อยทั้งหลายเป็นตน้นจนถึงผมเกเรลยบปันหนังเนื้อเป็นตน้ น, ตนเป็นไปตามลำดับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือกายอันนั้นเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเจริญสติสัพชัญญาและก็ความเพียรเวทนาขุนความรู้สึกสุขทุกข์เฉย จิตก็คือจิตที่มีราคาปราศจากราคาเป็นต้นธรรมะก็มีสภาวธรรมห้ากลุ่มมีนิวรขันอยนายตนะโพชงแล้วก็จบลงด้วยสัจจ์บอบพากีบเป็นต้นนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เกี่ยวในเรื่องของคำสอนเนี่ยในเรื่องของกายานุปัสนาในในจุดแรกจริงๆเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของการกาหนดรู้ลมหายใจเข้าแลลมหายใจออก แต่ในครั้งนี้จะไม่ได้เจาะประเด็นในรายละเอียดลงไปนะเหตผลก็เพราะคือต้องการอยากจะพูดแล้วก็พูดโดยภาพรวมเพื่อจะให้เราเห็นในรายละเอียดในรายละเอียดว่าการที่เราจะศึกษาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็สามารถเอามา เข้าใจประเด็นทั้งหมดที่จะสามารถดําเนินชีวิตได้ในกรณีการเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าไปพูดเจาะในเรื่องของอาณาปานสติแล้วก็พูดอาณาลงไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไม่เห็นภาพทั้งหมดต้องการอยากจะให้เรารู้ภาพทั้งหมดและก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบางอย่างถ้าเป็นการเจาะประเด็นในรายละเอียดทั้งหลายก็จะ พยายามจะหยิบมาอย่างเมื่อวานนี้พูดในเรื่องของียบบทบับกับสมิชญญยบับใช่ไหมเมื่อวานนี้ยังพอจำประเด็นนั้นได้นะทีนี้สิ่งที่จะมากล่าวในนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในสติปัฏฐานเนี่ยตรีเนี่ยที่บอกว่า ที่เรียกว่าสติปัฏฐานเพราะอะไรเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องสติพอจะชัดไหมเมื่อวานนี้พอจะชัดใช่ไหมทีนี้บอกว่าย่อมตั้งอยู่อย่างมั่นคงใช่ไหมถึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานได้ไอ้คำว่าตั้งเองมั่นคงเป็นปัจฐานสตินั่นเองเป็นปัจฐานคือชื่อว่าสติปัฏฐานได้แก่สติที่ตั้งอยู่อย่างมั่นคงหรือสติที่ตั้งมั่นอย่างมาก จึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเช่นสติที่ตั้งมั่นในรู ป, ปกายมีลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นต้นเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นในเวทนานั่นชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานสติที่ตั้งมั่นในจิตต่างๆมีจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะเป็นต้นชื่อว่าจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน สติที่ตั้งมั่นอยู่ในนิวรธาธรรมเป็นต้นชื่อว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานใช่ไหมลักษณะของสติปัฏฐานนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้เอาทำไมจึงเรียกว่าตั้งตั้งอย่างมั่นคงตั้งมั่นทำไมถึงเรียกว่าตั้งมั่นจึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานเพราะอะไรเพราะสติเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ไม่ลอยใช่ไหมลักษณะที่จม ไม่ใช่ลอยไปเหมือนลูกน้ำเต้าลอยตามน้ำลักษณะสติเนี่ยจะต้องมีการตั้งหรือระลึกหรือนึกเนี่ยจะต้องตั้งอย่างมั่นคงถ้าจะพิจารณาหรือจะจะกำหนดอายานุปัสสนาก็ตั้ง இ, มัม่นในรูปกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นถ้าจะลึกที่เวทนาก็ตั้งมั่นในเวทนาถ้าจะลึกในจิตก็ตั้งมั่นในจิตที่มีราคะจิตที่มีโทสะเป็นต้นถ้าจะตั้งมั่นในธรรมานุปัสสนาก็ตั้งมั่นในนิวรธรรม เป็นต้นเหล่านี้อย่างมั่นคงอย่างนี้เป็นต้นถึงจะเรียกว่าสติปัานทีนี้ถ้าสามารถตั้งสติได้อย่างมั่นคงในกายคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวชื่อว่าตั้งมั่นอยู่ในกายทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผู้มีกาลังเป็นผู้ที่มีกำลังที่สามารถตั้งสติไว้ในลมตามที่ต้องการได้ทีนี้การตั้งสติไวอย่างมั่นคง ก็หมายความว่าถ้าปราถนาที่จะตั้งไว้ในลมหายใจเข้าลมใจออกตลอดระยะเวลาสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมงเนี่ยย่อมตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาที่กำหนดถ้ากรณีอย่างนี้แปลว่ามั่นคงหรือยางการที่ตั้งได้อย่างนั้นแปลว่าไม่ใช่สติอย่างเดียวใช่ไหมมีสมาธิด้วยฉะนั้นในกรณีที่สติเข้าไปตั้งมั่นเนี่ย ระลึกหรือจับในสิ่งใดเนี่ยสมาธิที่เป็นแนบชิดในเรื่องนั้นไอ้ตัวสมาธิที่เป็นแนบชิดเนี่ยอันนั้นด้วยแล้วก็มีความเพียรพยายามในการประคับประคองที่จะไม่ให้สติเนี่ยถอยหรืถอถดถอยออกมาจากอารมณ์นั้นจากการหยุดจับอารมณ์นั้นหยุดตั้งมั่นอารมณ์นั้นสมาธิแนบชิดติด ก, กับอารมณ์นั้นด้วยแล้วมีปัญญา รู้ชัดจัดเก็บทุกขั้นตอนเนี่ยกรณีอย่างเนี้ยมันเยิ่ป็นอนคุณอย่างการเจริญสติปัฏฐานถ้าพูดถึงสติปฐานที่ว่าเจริญสติเนี่ยดูเหมือนว่พูดสติตัวเดียวแต่ศับเนี่ยพูดมากมายจริงๆคือพูดในความของกลุ่มของกุศลจิจตุบบาทที่มีสติเป็นประธานในการที่ไปจับอารมณ์นั้นๆหรือไปดึงอารมณ์นั้นไว้ ไม่ให้อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นหลุดลอยไปและในขณะเดียวกันก็คือรักษาจิตรักษากุศลจิตตุปบากนั้นไว้รักษาศรัทธาไว้รักษาความเพียรไว้รักษาสมาธิไว้รักษาปัญญาไว้ไม่ให้หลุดไปจากกลุ่มของกุศลธรรมเหล่านั้นจึงมีการทั้งรักษากลุ่มกุศลจิต ด, ด้วยรักษาอารมณ์ไม่ให้หลุดลอยไปด้วย ลักษณะอย่างนี้ก็คือเป็นสภาวะที่มีการตั้งมั่นแล้วก็ดิ่งอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าได้ตามที่กำหนดตามที่ต้องการได้แปลว่าคุณภาพของการเจริญสติปัฏฐานนั้นสมฤทธิผลในเรื่องของสมถกะกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นทีนี้การตั้งมั่นตลอดระยะเวลาถ้าต้องการที่จะตั้งจิตไว้ในลมใหยใจเข้าลมใหยใจออกในระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นหนึ่งชั่วโมงหรือสชั่วโมงก็สามารถตั้งได้อย่างมั่นคงเนี่ย ไม่มีจิตฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์ภายนอกหรือถูกวิตกลบกวนเป็นต้นเลยเนี่ยถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานคือความตั้งมัน่นในกายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ปกติแล้วเนี่ยธรรมชาติของจิตของมนุษย์เนี่ยมันเป็นจิตที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เขาถึงเรียกว่าเป็นมันพลานไปตามอารมณ์หกคือสีเสียงกินรอยและผลิภัพเขาอุปมาเหมือนกับคนบ้าคนบ้าที่ไม่สามารถควบคุมจิตของตนเองได้เขาเป็นผู้เนี่ยไม่รู้เวลากินไม่รู้เวลานอนใช่ไหมไม่รู้เลยพอต้องการจะไปกินข้าวบางทีกินได้คำสองคำปุ๊บเนี่ยเนะี่ย แล้วก็คายทิ้งแล้วก็ลุกหนีไปเนี่ยเป็นแปลรักลษณะคนบ้าเป็นอย่างี้หรือเหมือนเด็กถ้าเราเด็กเราเลี้ยงเด็กเล็กๆที่มันวิ่งมาเนี่ยให้กินข้าวปุ๊บมันกินคำหนึ่งมันวิ่งไปแล้วสภาพจิตของบุคคลที่ไม่ได้ควบคุมไม่มีสติปัจฐานเป็นตัวควบคุมเข้าไว้เนี่ยก็เป็นอาการเหมือนคนบ้ามันควบคุมไม่ได้มันพก่าไปตามอารมณ์ต่างๆมันวิ่งไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลา ลักษณะของคนที่ไม่ได้ฝึกหรือไม่เจริญสติปัฏฐานก็เป็นอาการลักษณะอย่างนั้นถ้าตามในยักของอัตถกถาดีกาทั้งหลายท่านจะใช้คาบอกว่าจิตของปุรุชนผู้มืดบอดที่ไม่เคยได้รับการฝึกมาเลยแม้ในปัจจุบันนี้ไม่เคยได้รับการฝึกมาเลยเนี่ยก็พกผ่านไปตามสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัและธรอารมณ์อยู่ตลอดเวลาคือ การที่จะภาคจิตให้ออกจากสีเสียงกิริยหรือกามะคุณนั้นเนะ่เข้ามาอยู่ในอารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งเนี่ยจึงยากบางแห่งบางที่ท่านจึงอุปมาเหมือนกับวัวลูก ว, วัวใช่ไหมที่มันดื้อดื่มน้ำนมทุกหยดจากแม่นมเออจากจากแม่ ว, วัวที่ขี้โกงไอ แ, แม่ ว, วัวก็เป็นเวียวขี้โกง มันออกลูกมามันก็มีลูกเป็นผ่ามีดีเออที่เป็นเป็นวัวที่ขี้โกงใช่ไหมคือมันเป็นวัวดื้อด้วยพอคลอดลูกออกมามันก็เลยดื้อไอ้วัวตัวเนี้ยมันดื้อแต่นี้ไอ้ความดื้อความซนความหิวความอยากของมันเนี่ยมันอยากจะกินนมแม่มันแม่ก็มีความคดกองอยู่ด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกมันกินนมมันก็ซ่อนซ่อนเต้านม วิธีการซ่อนเต้านมของมันก็คือขยักมันสามารถขแมวท้องมันเนี่ยแล้วก็ซ่อนนมมันไว้ทํำให้ไม่หัวหัวนมไม่หลุดออกมาใช่ไหมไอแม่วัวที่มันไอลูกวัวที่มันขี้โกงเนี่ยมันไปไปเสร็จปุ๊บมันใช้หัวกระทงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งที่ท้องนะเดี๋ยวไอเนาะไอตัวนมมันก็หลุดออกมาไอเต้านมมัหัวนมมันหลุดปบออกมามันก็กิน ดีดมันยังไงมันก็วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งพันแข้งพันขาอยู่นั่นแหละมันดือ้อถามว่าไอ้ลูกวัวที่ขี้โกงตัวเนี้ยแม่วัวขี้โกงเราจะเอาลูกวัวพันขี้โกงเนี่ยเพื่อจะภาคมันออกจากนมหย่านมเนี่ยทํำยังไงบอกดีๆหมดสิทธ์มีวิธีเดียวคือจับมัดจับเชือกมัดไอ้ลูกวัวตัวนี้มามัดก็หลัก มัผ<ไ>ูกไว้ที่หลักสิฮะอย่าให้ไปวิ่งไปหาแม่มันมันดิ้นสุดลิสุดเวียงดิ้นวิ่งวิ่งวิ่งกระโดดแล้วกระโดดขวากระโดดซ้ายแต่อาศัยเชือกที่แข็งแรงเชือกที่มั่นคงเนี่ยผูกมันไว้อย่างนั้นเนี่ยมันจะดิ้นพักใหญ่เลยว่างั้นดิ้นใหญ่สัดิ้นดินดินดิ้นไปดิ้นมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพอมันเหนื่อยขึ้นมามันก็จะมานอนหมอบอยู่กับหลักนี่แหละ ที่สุดจริงๆมันจะหย่านมได้จิตของปุถุชนพาละปุถุชนอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นเหมือนลูกวัวที่ดือ้อมันมันมันเกิดมากับการมคุณมันมีอวิชชาตันหาอุปาทานสังขารและกรรมเป็นตัวแวดล้อมผลักดันให้เกิดมันจึง มันจึงมีความติดรตในรูปเสียงกิริย์รตผลิภัณฑ์ในกามคุณอย่างรุนแรงกรณีที่เราจะพากจิตที่มันดื้อขนาดนี้ให้มันออกจากกรรมคุณเนี่ยมันต้องใช้วิธีการใช้เชือกมัดเชือกในที่นี้เป็นเชือกของสติใช่ไหมใช้สติเนี่ยกากับหรือจับมันไว้มัดจิตนีไว้กลมจิตนี้ไว้ แล้วไปหาที่ผูกเอาไว้ผูกไว้กันหลักหลักอันดับแรกก็คือลมหายใจเข้าออกแล้วต่อไปก็เมื่อผูกในลมหายใจเข้าออกประสบความสําเร็จแล้วต่อไปเอาไปผูกไว้ที่เอียบดยืนเดินนั่งนอนไปผูกไว้ในสัมปชัญญะเจ็ดก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแล่เหลวคู่เข้าเหยน็นออกกินดื่มเก้วเลี้ยงถ่ายอุจจาระปัสสาวะยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งแล้วก็ไปผูกไว้กับผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยนืนเป็นต้น ฉะนั้นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกเป็นอุปกรณ์ในการที่จะฝึกก็คือเอาเชือกคือสติผูกจิตไว้มัดจิตไว้หาที่ผูกไว้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันดิ้นลนไปหากามดิ้นลนไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์นี่วิธีการเป็นแบบเนี้ทีี่ประเด็นมันก็อยู่ว่าไอสติเนี่ยนะ มันไม่ใช่สติตัวเดียวแล้วพอบอกว่าเจริญสติปฐานเนี่ยนี่มันเป็นราชาคาโต้ที่สามเนี่ยเหมือนพระราชาสเสด็จใช่ไมไม่ใช่พระราชาท่านเดียวแล้วพอพูดถึงสติเนี่ยโอ้โหมาเยอะเลยนะพูดถึงความเพียรก็ยังไม่ครบนะเนี่ยมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติว่าไงจริงๆสามองคุณนี่แหละแต่จริงๆโอ้โหเยอะเลย มีทั้งศรัทธาสติหิริโอตปาอโรภะอโทศาสตร์ตรัสรพัฒต์ตากายะปัสติจิตตัสติกายะหูตาจิตตะระหูตากายะกรรมกรรมยตตาจิตตะกรรมยตากายะปะคุญตาจิตตปาคุญญกายุชุกตาจิตตุชุคตามีทั้งเนี่ยมีกลุ่มบุคคลแล้วทีจะถึงปัญญากรุณามุตตาอะไรกว่าไป ภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกขังตาชีวิตสี่มนุษย์กา ร, ว, รวิจาราวิจาในทุกวริยะปีติชนทัศสุปก็คือกุศลจิตวติบากที่มีสติเป็นประธานเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันกลุ่มกุศลจิตวติบากนี้แหละนี่แหล ะ, หละกลุ่มขบวนการมาฮือมาเลยก็แต่พูดถึงสติอย่างเดียวเท่า น, นั้นให้เข้าใจนะว่าไม่ใช่สติตัวเดียวเลยนี่กลุ่มนามธรรมเพียบไปหมดที่จะต้องเอาฝึกถ้าอย่างนั้น ถ้าไม่มีสติเป็นตัวคอยดึงคอยลังก์กไว้ผาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกกตาชีวิตินสีมนสสิการวิโตกิจันติโมกุยยาปิฎิกชทถ้ามันไปสนับสนุนโลภะขึ้นมายุ่งเลยต้องดึงมันมาพวกเนี้ยต้องดึงมาเกี่ย ก, กอมมาให้ข้อมูลมาใช่ไหมล่ะเวทนาเนี่ยแทนที่จะไปเกิดร่วมกับไปสวยอารมณ์ร่วมกับโลภะหรือเจตนาเนี่ยเป็นกระตุ้นเตือนให้เกิดความโลภใหม่ไม่เอาไม่เอามอาอยู่ตรงนี้ มาก็ตุ้นเตือนให้เกิดกุศลธรรมตั้งเจตนาในการจะพ้นทุกข์ไม่ตั้ ง, งเจตนาที่จะไปหารูปที่สวยๆเสียงเพ้อๆกลิ่นหอมอร้อนอร่อยมันไปกับมันนะเนอะเดี๋ยนี้ก็คือเนี่ยความชานฉลาดในการที่จะต้องมีองค์ประกอบความรู้แทนที่จะตั้งเจตนา เ, ออเกียดข้านเบื่อหน่ายไม่เลยมาเป็นมาตั้งเจลจํานงจงใจตั้งใจในการที่จะขวนขวายในการที่ทําให้ตนเองพ้นจากกิเลสและวองทุกข์ เพียนแทนที่จะเพียนในการหารูปสวยๆสวยเสียงเพราะๆกลิ่นนอหมหอมมาเพียนในการที่จะละบาปเก่าบาปเกา่าทุจริตเก่าอกศุลกรรมเก่าที่เคยเกิดมาแล้วในกระแสชีวิตนี้นับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปเราจะขวนขวายในการจเจริญสติปัฏฐานแล้วบาปเกา่าทุจิติตเก่าอกศุลกรรมเก่านับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตอีก จนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์โหนี่เพียนอย่างเงี้ยก็เรียกเพียนล้ บ, บาปเก่าใช่ไหมบาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศสลกรรมใหม่ที่เราเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยศึกษามาเคยฟังมาตั้งแต่มาตัคาดปีตัวคาตอาหารตัวคาตโลหิตตวบาดสังฆเพศเป็นต้นที่เราเคยศึกษาในคมภีและเรื่องราวต่างๆที่เราได้พบได้เห็นแต่เรายังไม่เคยทําบาปชนิดนี้เป็นบาปใหม่ทุจริตใหม่คุโสลกรรมใหม่ จะไม่ให้ไหลเข้าสู่กระแสชีวิตเหมือนกันนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงสิง่งความทุกข์ตั้งบ่อยๆบยๆบ่อยๆมีอิทธิพลไหมไม่จะไม่มีนะเขาใตั้งแบบนี้นะวิธีการปฏิบัติเนะี่ยแล้วก็ทานศีลภาวนาหรือรศีลสมาธิปัญญาเราจะให้เกิดขึ้นเราจะฝึกกระแสชีวิตเนี้ยให้มีความสัมพันธ์กับศีลสมาธิปัญญาให้คุ้นเคยกับศีลสมาธิปัญญา จนกลายเป็นว่าศีลสมาธิปัญญากับชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ได้คิดปุ๊บเป็นศีลคิดปุ๊บเป็นสมาธิคิดปุ๊บเป็นปัญญาให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเน่วางนั้นเดี๋ให้เป็นเนื้อเดียวกันและในขณะเดียวกันถ้าบาปมันมาเกิดทุตุตุตุขึ้นมาปุ๊บนี่นะถ้ามีบาปเกิดปุ๊บเนี่ยจะละอย่างรวดเร็วกันเงี้ยนะตั้งอัธยาสายอย่างนั้นด้วยนะจะละอย่างรวดเร็วไม่แช่กับมันบางทีมีความสุขเนะย มีความสุขไหมเวลาแช่กระ บ, บาบเช่นหงอยเองอีง้ยเซ็งเงี้ยมีความสุขไหมทำไมเซ็งกับมันนานๆแล้วบางคนเนี่ยบางคนเครียดเนี่ยสุขกับมันเนั่นเนี่ยเมื่อไหรก็ยังไม่หายสักทีอ่ะบางทีอะ่ะตั้งนานยังไม่ยอมเอามันออกสักทีอะ่ะใช่ไหมล่ะไอตัวเนี่ยอุปสรรคภายในพระเจ้าคาภายในอ่ะศัตรูภายในกิเลสเหล่านี้มันเป็นความสกกระบอกท่านอุปมาเหมือนอุจจาระเลยนะ ก็เด็นติดหน้าผากยังไม่ล้างยังไม่ล้างเยยังไม่ล้างอ ง, า ง, อ ง, งอนอยู่เนี่ยมันไม่ยอมล้างเขาให้ล้างทันทีใช่ไหมละ่ะหญิงสาวที่ชอบความงามหนุ่มสาวที่ชอบความงามอุจจลระก็เด็นติดหน้าผากโอ้โหทันทีเลยเวลาราคาโทรศัโมหะมันกระเด็นมัน กระโดดมาติดในในความคิดนี่มันสกรปรกมากกว่านั้นให้รีบล้างทันทีเพราะงั้นให้รีบล้างทันทีเดี๋ยวไม่ยอมมาขอขอแช่ไว้ก่อนโชยกลิ่นอยู่นั่นแหละเขาาให้ขนาดนั้นเลยนะนี่คือกลุ่มที่จะเจริญสติปัฏฐานกลุ่มจะลบพ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยเราเคยคิดขนาดนั้นไหมเคยตั้งความรู้สึกไวขนาดนั้นไหม ย้อมนอนแช่เหมือนสุกรเหมือ น, นเห็ใช่ไม่ได้ก็ขเขาเห็นไอ้นี่เหม็นขนาดนี้โอ้โหอุจจาระกระเด็นติดหน้าผากเออมันกับแทนที่มันจะไรีบไปล้างหน้ามันกับวิ่งใหญ่วิ่งโชวใหญ่เลยทีนี้โชวหน้าใหญ่เลยทีนี้โอ้โหเนะี่ยเขาว่าเขาให้ให้ใ ห, ให้ให้ขนาดนั้นให้ขนาด หเห็นไหมว่ากรณีว่าละอย่างพอละอย่างรวดเร็วแล้วจิตก็จะมามาคุ้นเคยกับทานศีลภาวนาคุ้นเคยกับศีลสมาธิปัญญาจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันว่ากันฝึกจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันถ้าทําเงี้ยนะหลักการปฏิบัติเนะี่ยฝึกจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจนรู้สึกว่าความคิดกับกุศลเป็นอันเดียวกัน mm hmm. คิดเมื่อไรก็เป็นกุศลเมื่อ น, นั้น เหมือนที่ว่าอากุศลเนี่ยเมื่อไรก็เป็นอกุศลทุกทีเมื่อไรก็บาปเกิดทุกทีทำเป็นเนื้อเดียวกันพวกเราเป็นเนื้อเดียวกับบาปอันนี้ก็ฝึกจนกลายว่าเป็นเนื้อเดียวกับกุศลมันมันทำได้จริงๆเลยเนะีคนที่เขาฝึกจนนั้นเนี่ยเหมือนพระอาริยะทั้งหลายเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยทุกครั้งที่คิดไม่เคยมีอกุศลจิตเลยเป็นกุศลเป็นเนื้อเดียวโอ้โหับครับ คือมันแยกชัดหมดคือจริงๆเนะี่ยมันหน้าชัดมาตั้งนานแล้วแต่โมหามันปิดเลยแยกไม่ออกระหว่างตํากับขาวมืดกับสว่างกุศลกับอกุศลฟ้ากับดินเนี่ยมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เรื่องบาปเกิดก็ไม่รู้บุญเกิดก็ไม่รู้อันนี้มืนใหญ่นี่มืนชัดอุจจาระติดหน้าก็ไม่รู้แป้งติดหน้าก็ไม่รู้ไม่รู้ทามั่วเข้าใจไหมันได้ลกลายเป็นแบบเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยบางทีก็ ออกมานั่งหน้าบึ้งทั้งวันยังไม่รู้ตัวอีกกิเลสมันยอมใจจนนวนออกมาหน้าตาจนหมดแล้วจช่ไหลเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกไม่คุ้นไม่ฝึกทีนี้เวลาไปแช่กับมันนานๆหนักเข้าหนักเข้าแต่นี้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับบาปและกลายเป็นอัธยาศัยการเป็นความเคยชินคุ้นเคยมันแก้ไม่ได้คนบางคนแต่สังเกตดูสิัะกลายเป็น ถ้าเจออารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วโอ้โตาขวางขึ้นอย่ายุ่งกับมันปล่อยมันตาขวางเข้าใจคาว่าตาขวางไหเป็นไงตาขวางนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเขาจึงบอกว่าความเพียรพยายามในการที่ว่าเขาตั้งอัธยาสายกันเลยวันนี้ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้ กุศลเท่านั้นเกิดขึ้นมันตั้งเด็ดขาดอย่างนี้นจะให้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเท่านั้นเกิดขึ้นจะให้ศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรนะพอตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทํากิจนี้ก่อนนะวันนี้ <c oughs> ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะให้ทานศีลภาวนาเท่านั้นเกิดขึ้นจะไม่ให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นเด็ดขาดว่าไงเนี่ยนะบุญยืนะ ไม่ใช่เขาเตั้งแบบนี้หลักการเนี่ยอันนี้นี่หลักการเลยนะในอันนี้อันนตสาหร่ายดีเลยนะเนี่ยนี่พูดแบบดึงข้อมูลมาพูดอย่างนี้แต่ภาษาอย่าไปสนใจมันถ้าพูดใช้ภาษาเดี๋ยวลำบากสองถ้าบาปอุกสนกรรมมันชั่วร้ายเกิดขึ้นจะละทันทีทันทีว่าไงว่าไงเหมือนอุจจาระกระเด็นติดหน้าผากเนี่ยตั้งหลักนี้สาม จะฝึกกระแสความคิดให้คุ้นเคยกับกุศลความดีให้เป็นเนื้อหนึ่งเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ให้มันเป็นกุศลทันจนกลายเป็นเนื้อเป็นตัวความคิดคือกุศลคำพูดก็เป็นกุศลการกระทาก็เป็นกุศลกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมเป็นกุศลเป็นเนื้อเป็นตัวเลยว่างั้นเถอะฝึกฝึกให้คุ้นเคยกับทานศีลภาวนาฝึกให้คุ้นเคยกับศีลสมาธิปัญญา ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดทั้งหลายหลายได้เนี่ยทานศีลภาวนาเกิดทันทีเลยศีลสมาธิปัญญาเกิดทันทีรวดเร็วเป็นออโตเมติกโอ้เป็นอัตโนมัติเลยว่างั้นตูปุ๊บทันทีเลยว่างั้นแต่เป็นขนาดนั้นอันนี้อันนี้นี้ฝึกฝึกชัดเลยนะแบบเนี้ยบาปไม่ได้กินเลยนะพวกเนีข้ข้อข้อสี่ทำไงข้อสี่เนี่ยจะสร้างสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เอือ้อก็คือจะให้มีพระัตนตรยแวดล้อมให้สภาพเอื้อต่อการที่จะเกิดโยนิสโสมรัสิการง่ายที่สุดเพราะบางอย่างเราไม่ได้สร้างกัริยานณมิตรไว้ใช่ ไ, ไมไม่สร้างสภาพสังคมสังสิ่งแวดล้อมก็ไว้ mm hmm. เช่นในที่สิ่งแวดล้อมทุงคนโอ้ยมีพระพุทธรูปแวดล้อมไว้มีธรรมะแวดล้อมไว้มีสิ่งที่รลึกถึงกุศลแวดล้อมไว้คือคือฉลาดมากวางจุด จุดที่จะเอื้อต่อการที่จะทำโยนิโสเกิดไม่ใช่อโยนิโสเกิดไม่ใช่ภาพงามๆใช่ไหมหรือว่ารูปภาพคนยิงกันใช่ไอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่ใช่เลยเป็นคนฉลาดมากแม้อยู่ในห้องปุ๊บหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมปุ๊บ ก, ก็ทำสิ่งแวดล้อมที่มันจะเอื้อต่อการที่จะเกิดโยนิโสคือมันกระตุ้นถึงว่าทาได้ง่ายที่สุด เขาเรียกฉลาดในการเขาเรียกจัดพื้นที่วางสภาพสังคมสิ่งแวด ล, ล้อมไว้ใช่ไหมมีให้เก้าอี้ยังยังยังวางให้เรียกถึงพระราตนตรัยได้ใช่ไม น, นงไง ม, นนมคือคือคือต้องเพราะต้องสร้างเหตุปัจจัยของตนเองไว้เพื่อจะให้ใช่ไหม อ, อย่างชนิดที่ว่าอย่างนางมันลีกาเนะี่ยไปเห็นไฟนรกปุ๊บแล้วนึกถึงจีวรได้ทันทีในขนาดนั้โอฉาลากขนาดนั้นหลุดจากนรกได้ทันเลยเนี่ยนี่เเก่งมากเก่งใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โ ห, โหพอเห็นอะไรปุ๊บแล้วมันจะไปอีกมุมหนึ่งเลยนี่คนละเรื่องอันนี้เขาเรียกว่าฉลาดเห็นไหมว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่ใช่บำเพ็ญบารมีเหมือนพอระโพธิสัตว์ ว่าพทธิศาสตร์จะไม่เห็นคนทะเลาะ ก, กันก็เห็นเกิดความเบื่อหน่ายคายกำหนัดได้เราเห็นคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยอยากจะไปชุ่อยากจะไปร่วมเกือบเขาเลยนี่ <c oughs> <c oughs> โอยหรือไม่งั้นเครียดกินนอนไม่หลับไม่ใช่มงคนขนาดนั้นเนี่ยมั น, มนเรามันโยนิโสนไม่เกิดเนี่ยกรณีทีนี้ตรงนี้แหละการที่เรา ฝึกตนเองได้อย่างนี้มันก็จะสามารถทำให้ตนเองเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงกุศลเชิงลึกได้พอจะมองเห็นไหมเอ็มกี้พูดในเรื่องของของจิตที่บ้าใช่ไหมจิตที่เป็นบ้านนั้นอาการจิตแบบนี้ที่มันคุ้นเคยกับการมคุณเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจอย่างแรงออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดเนี่ยถ้าเงเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆ ถ้าไม่กระตุกตนเองแรงๆไม่มีทางเลยถ้าไม่ตั้งอัตยาศัยตนเองแบบนี้แล้วแล้วเราขนาดฟังแบบนี้นะเ <อ S 1> ชื<ม>่อ <ๆ S 2> ไหมว่าพอ ก, กิจกรรมการฟังนี่ผ่านไปมันจะลงไปอย่างเก่าอีกแล้วบางที่ผ่านไปแค่มันนั้นกระตุกได้แค่บางคนได้แค่สามชั่วโมงบางคนไม่ได้เลยเนะี่ยได้แต่เฉพาะตอนฟังเออจะเอ า, าพอออกไปก็เป็นไอคนเดิมอย่างเก่านั่นเป็นอย่างนี้นะ บางคนก็ได้ถึงถึงอาทิตย์หนึ่งเลยถ้าที่สังเกตเคยเจอหลายคนเนะยได้ถึงอาทิตย์แต่หลังจากอาทิตย์ไปแล้วตัวใครตัวมันมันเป็นแบบนี้จริงๆนะเออถ้าก็ยังนึกว่าเอ๊ะทําไมทําไมสาวอสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องฟังธรรมทุกวันอ๋อมันหยุดฟังไม่ได้เลยครับหยุดฟังไหลลงต่ําดึงขึ้นมาหยุดฟังไหลลงต่ําปล่อยที่เนี่ยไหลลงหมด มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ยอย่างนั้นก็ไหลไปในเรื่องที่ตนเองชอบไหลไปเรื่องที่ตนเองชอบแต่ดูมันก็ดีนี่แหละเป็นคนดีนี่หนแหละเอาคุยกันนั่นไปนั่นมาจเจริญกุศลดีๆโอ้ทำไมโอ้ตอนนี้ติดนิยาย อ, ยอยู่เรื่องนึงอ่านนิยายไป <laughs> <laughs> แล้วแต่นี้เอาแล้วปล <cone> ่อยมันเนอะมันเป็นอย่างนั้นไะยังอ่านหนังสืออยู่นี่แหละแต่มันหลุดจากหนังสือของสติปัฏฐานมันหลุดไปนิยายนี่มันหลุดไปประวัติศาสตร์ก่อนบางที่ เออมันเป็นมันอย่างนั้นนี่มันหรือไม่อย่างนั้นก็เพลินไปกับเรื่องอื่นนี่ปัญหาชีวิตว่าทำไมเราจึงติดอยู่ในสังสารวัตเพราะว่าไอแรงขับเคลื่อนที่เป็นตัวโยนิโสมนัสิกานทั้งหลายเราเนี้ยไม่แข็งแรงเหตุที่ไม่แข็งแรงก็เพราะว่ามันได้เหตุปัจจัยข้างนอกมันต้องพวกเราต้องอาศัยกัลยาณมิตรเนี่ยทั้งหมด ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าสาวบอกของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเนะทั้งหมด เ, นะเป็นทั้งหมดของพวกเราเนะของชีวิตที่ประเสริฐถ้าไม่ได้กัลยาณมิตรจบเลือที่จะบอกให้ฟังก็คือห้ามห้ามอยู่ในที่ที่ไม่มีกัลยาณมิตรเด็ดขาดกัลยาณมิตรมีทั้งหลายส่วนจะเป็นตัวพระไตรปิฎกกัน แต่ถ้ายังอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็ต้องหาคนที่อ่านขยายเราเข้าใจต้องขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นก็จบเลยงานนี้ไปไม่เป็นอะไรแต่เนี่ยนี้ยตรงนี้บอกว่าถ้าได้เจอหมอดียาดีบางทีก็สามารถหายจากอาการบ้าได้กลายเป็นคนปกติธรรมดาที่ควบคุมจิตตนเองได้ชื่อว่าย่อม ถ้าหมายความว่าก็คือถ้าหากที่เขาพูดอุปมาเหมือนกับคนบ้านเนี่ยที่ว่ากินข้าวห้าคำหกคำาก็วิ่งไปไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ลุกไปเพราะความที่ตนเองยังไม่สามารถควมจิตของตนเองได้ชั้นใดบุคคลทั้งหลายที่ตั้งใจว่าเราจะให้เราจะไหว้พระจะเจริญกุศลจะสวดพุทธคุณธรรมคุณบางทีมันสวดแต่ปาก ใจมันไม่ไปตามบทที่สวดเนี่ยมันก็มันลักษณะอย่างมันควบจิตคุมจิตของตนเองไม่ได้เขาถ้าออปมาบางทีก็เหมือนหมาบ้าเหมือนกับคนป่วยเนี่ยนะว่ามันกะหายน้ำแล้วมันก็จะวิ่งไปหาน้าคันไม่เห็นน้ำแล้วไปเสร็จมันก็จะพอไปเห็นน้ำนะมันก็จะวิ่งไปหาสระน้ำพอเห็นพอมันได้เห็นน้ำปุ๊บมันไม่กล้าลงไปในสระ วิ่งหนีไปเพราะกลัวต่อการมองดูน้ำชั้นใดคนที่ป่วยถ้าดื่มกินอาหารชนิดหนึ่งแล้วจะทำให้โรคหายคันนำอาหารนั้นมากินอาหารนั้นก็กลายเป็นลดขมก็ไม่สามารถที่จะกินได้คือคนบางคนเนี่ยบ้าสภาพจิตฟุง้งซ่านแทนที่จะมาศึกษาพระธรรมของพทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติในธรรมะของพระเจ้ามันไม่มันไม่ไหวมันขมเหมือนหมาบ้าเจอน้มันวิ่งหนีมันก็ไม่หายบ้าเหมือนคนป่วยมาเจอยาที่มันขมก็แตะนิดเดียวก็ไม่เอาปุถุชนเหมือนกันมันบ้าด้านสภาพจิตใจมันไม่หายบ้ามันพุกพานไปตามสีเสียงกินรถปวดกระพาะมันมีธรรมะโอสดเนี่ยเป็นยาที่ระงับอาการบ้าอาการพุ่งสร้างพุกพานอย่างนั้นได้ พอมาแตะนิดเดียวมันมันไม่ไม่ถูกกับอิกิเลชันแล้วมันไม่ทนไม่ทนที่จะฟังไม่ทนที่จะเรียนไม่ทนที่จะศึกษาไม่ทนที่จะเอามาพฤติปฏิบัติมันก็วิ่งหนีไปแล้วมันก็ไม่หายบ้ามันก็ไม่หายจากโรคคือราคะโรคคือโทสะโรคคือโมหะมันก็เลยไม่หายก็เลยไม่หายป่วยนี่นี่เป็นอย่างเนี้ย เหมือนเวลาเราสวดพระคุณเนะี่ยแล้วเขมาสวดนะแต่ใจไม่ได้ทราบซึ้งหลอกอีติปิโสภะกวาอะรหังสัมมาใจมันไปเรื่องอื่นมันมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตมันไม่ได้จดจอ่อมันไม่มันไม่คิดว่าการสวดก็ดีหรือการประพฤติปฏิบัติเป็นต้นก็ดีนั่นกําลังรักษาอาการป่วยอาการอาการที่จิตมันบ้าอาการจิตมันพุกพาน ท่านบอกว่าเอาละเราจะเข้าหมวดขังการรักษาอย่างติดต่อและต่อเนื่องเรากําลังให้ยาการฟังธรรมก็คือการให้ยาการสาธยายธรรมก็คือการให้ยาการที่ใข้ควรวิจัยพิจารณาแยกแยะในการยืนเดินนั่งนอนเรากําลังให้ยาแล้วหยุดการให้ยาไม่ได้ถอดสายน้ำเกลือออกมาเลยอาการบ้ามันกําเริบ ม, มันหยุดให้ยาไม่ได้ใช่ไหมมันต้องให้ตลอดเวลายังเป็นหลักการอย่างมนุษย์บ้าบ้าจัด เนี่ยถ้าคิดอย่างนี้มันถึงจะปฏิบัติแล้วได้ผลถ้ายังสําคัญว่าตนเองไม่บาปปกติยุ่งเลยเพราะมันจริงๆมันปกติของปุุ้ชนมันเป็นอย่างนั้นถ้าเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คือว่าถ้าควบคุมจิตตนเองได้เปรียบเหมือนกับคนที่ป่วยทั้งหลายเหล่านีย้ยอมที่มารับการรักษาแล้วอาการโรคก็ หายกำเริบเนี่ยกรณีอย่างนี้เป็นนั้นสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4ี่นั้นคือการควบคุมจิตของตนเองให้หายจากอาการสัดสายใครที่สามารถเดินสติปัฏฐานได้ประสบความสำเร็จคนคนนั้นเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะน้อมไปเพื่อกำหนดรู้อะไรก็ง่ายหมดซึ่งตอนนี้มันยากมากเลย แค่เราจะไปรู้ลมปุ๊บมันอยู่นิดเดียวมันดิ้นไปที่อื่นมันดิ้นไปแล้วโอไม่ประสบความสําเร็จพอเป็นนั้นปุ๊บมันดิ้นไปที่อื่นมันดิ้นไปที่อื่นมันจะถูกราคะโทสะโมหะถูกตัณหาอันธทิถีเนี่ยเข้ามาแทรกซึมนะเข้าดิ้งดิ้นดิ้นไปหรือไม่อย่างนั้นก็เลื่อนลอยมุดไอ้ตัวอาสัตย์ทีความไม่มีศรัทธาก็โจมตีศรัทธาหงายท้องเลย แล้วก็โกสัจฉะอกุศลพอทําได้หน่อยทอ้ทอท้อยและขี้เกียจแล้วไม่ทําต่อเนี่ยโกสัจฉะอกุศลเล่นงานมุดหัดสติคือการหลงลืมสติพอตั้งอะไรได้หน่อยปั๊บมันหลุดหน่อยไม่เอาแล้วปล่อยเลื่อนลอยไปดีกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วก็อุทให้จากกุกุจาความฟุ้งซ่านทั้งหลายก็ทําลายสมาธิความตั้งมัน่นข่งจิตพังไปแล้วโมหะก็ทําลายปัญญา เนี่ยมันถูกโจมตีกายเป็นคนที่พังหมดแล้วใช่ ไ, ไมไม่สามารถที่จะประชุมอินทรีพระพุทธชงเป็นต้นเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในกระบวนกรกะแสของความคิดเป็นต้นได้เป็นไหมเล่าเนี่ยคือตั้งใจนะไม่ใช่ไม่ตั้งใจนะอยากจะมีศรัทธาได้นิดเพราะเอานาไปไหว้พระโอ้โหอย่าไหว้นานนะเดี๋ยวหิวข้าวขึ้นมาเดี๋ยวมันเอาเรื่องเลยแตเนี้ศรัทธามันหมด มันหมดแล้วใหเ้เพียนเพียรในข้อจํากัดตอนนั้นน่ะถ้าหากว่าเพียนมากกว่านั้นน่ะถามว่าลองฟังธรรมะเป็นวันเป็นคืนตายเลยงายท้องเลยครับพระอนุรุทะไปกิมเพียะพระคุก้วสนทนาธรรมกันทั้งคืนยังไม่ยังไม่สนทนาธรรมกันทั้งคืนสนทนาธรรมกันเนี่ยเพราะเขาปฏิบททัติธรรม ไอสนธนาธรรมคือการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมกับสนานาธรรมเป็นเรื่องเดียวกันนั่งสมาธิสนมันเรื่องเดียวกันหมดไอ้ภาวนากุศล ม, มีทั้งเยอะแยะหมดเนี่ยเขาตื่นเต้นหมดแล้วในขณะที่ฟังแล้วได้ข้อมูลความรู้การประพฤติปฏิบัติมันดําเนินไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องลุกขึ้นไปยืนไปเดินเขาเดินได้แล้วทีนี้เขากากับได้หมดแล้วฟังธรรมเขาก็จเจริญสติปัฏฐานได้เดินก็จเจริญสติปัฏฐานได้ ยืนก <Yeah. S 1> so ็เจริญสติปัฏฐานได้นั่งก็เจริญสติปัฏฐานได้นอนก็เจริญสติปัฏฐานได้ก้าวไปถอยกลับเจริญสติปัฏฐานได้แลตรงแล่เหลียวเจริญสติปัฏฐานได้คูเข้าเหยียดออกเจริญสติปัฏฐานได้มีพระเถระนั่งนั่งนั่งคุยกอนั่งคุนพัดเป็นพระเถระรุมนั่งนั่งคุยปุ๊บท่านปุ๊บอย่างเงี้ยถ้าพักหนึ่งท่านก็ พระก็ถามว่าทำไมพระคุณแบบพระเทลรทำอย่างนี้อ๋อเมื่อกี้เผลอไปสติมันหลุดก็เลยตั้งใหม่นีไหมอย่างเราโอ้โหทั้งวันเลยปุ๊บปุ๊บาาสตสิมันไม่ได้เดินสติปัะญานเลยหรอก ไม่มันเร็วเกินไปไงมันเผลอเผลออย่างว่าว่ายังยกใจอย่างใจไปหยิบอะไรเนี่ยเใช่ไหมถ้า ท, ท่านกวางใหม่ได้ก็กําหนดมันไม่ได้กําหนดไงตอนหยิบเท่าท่านแมกําหนดก็วางของใหม่แล้วท่านก็มนัสิการเสร็จปุ๊บก็กําหนดเนี่ยพระก็เลยสงสัยท่านไงว่าเอ๊ะทำไมท่านท่านถึงหยิบสองครั้งท่านบอกอ๋อครั้งครั้งแรก ไม่ได้กำหนดสติไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอ๋อคนละเรื่องกัน อ๋อเป็นเรื่องปกติตรงนั้นมันฝึกจนชำนาญแล้วสติมันเร็วนะไม่ใช่ไม่เร็วนะครับกระโดดแรงต่างแบบมีสติก็ได้ครับมันไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงไปท้ายย่างหนอขวาอย่างหนอข้ามถนนในยุงในรถบิ น, น <c oughs> ไม่ใช่แล้วเทานั้นคือจริงจริงการเดินมันเดินปกตินีเมือนเหมือนอย่างเนี้ผมไปเจอพระรูปหนึ่งท่านครับ เวลาเขาไปเวลาท่า น, น, นเวลาท่านบินบัดท่านมองก็เลยถามได้ตามเนี้ยเขามองชั่วแอกไงท่านบอกตามพระวิ น, นัยอะไรแบบนี้แต่ผโอ้โหเซรีลาเสียหมดเลยนอนมองเนี่ยช่วยแอกประมาณกวานอย่างเงี้ยที่จริงไงท่านเข้าใจผิด ที่จริงชั่วแอกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอแอกเนี่ยเวียนเนี่ยนะไอเกวียนที่มันมีควา้าวัวหรือควายสองตัวเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยไอแอกตรงนี้ใช่ไหมมีวัวตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้วัวตัวหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมล่ะไอชั่วแอกคนก็เลยไปมองว่ายืนอยู่ตรงนี้แล้วหันตรงนี้มันชั่วแอกมันไม่ใช่ เขานับจากคนนั่งบนเกวียนมองไปที่หัวแอกเนี่ยโอ้มันยาวมากครับมองอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยมองโน้นอยู่ตรงโน้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยมองไปเหมือนนนท่านในประมาณท่านในแอกมันยาวเลยคือว่าจากจากไอ้ช่วงคานของเกวียนเนี่ยไปถึงหัวแอกด้วย มองเงยมองชั่วแอกคำว่ามองชั่วแอะก็คือว่าสายตามันทอดลงอย่างนี้แล้วก็มองเพราะการมองที่แอกมันจะรู้ว่าวัวตัวไหนมันเดินหน้ามันเดินไม่พร้อมกันยังไงเข้าใจกระตุกได้เขามองที่ที่แอะ น, น้นเวลาขับเกวียนนะครับทีนี้ว่าแปรในพระวินัยแอกมันไปมองมีแคบเลยตอนนี้เลยต้องโอ้โหสริรแล้วผมก็เออยมันเข้าใจไม่เหมือนกันเว้ย มันก็เลยไปกำหนดกันไปเลยแต่เนี้ยมองบวชนานๆเสียเสียหมดเลยครับต้องก้มขนาดนั้นคอโอ้ โ, อโหงั้นพระเจ้าเนี่ยมหาปุริสระขนาดพระองค์จะมองช่อแอกอยังไงใช่ไหมสง่างามมากคอตั้งตรงใช่ไหมโอ้โหมองเอ้าเลยไปวินัยเลยพูดเลยพุด เออเรื่องจะจบไหมในวันอ๋อสติ จริงๆไอ้ตัวนั้นเน่เขาไม่เรียกว่าสัญญานะครับตั้งเจตนาตั้งเจตนาไอ้ตรงนั้นกลายเป็นเพียนตั้งตั้งอธัธยาศัย ฉะนั้นการตั้งอัธยาศัยลักษณะแบบนี้หรือว่าการตั้งใจแบบนี้มุ่งมั่นแบบนี้ความตั้งใจมุ่งมั่นที่เป็นเป็นเป็นกำลังเหมือนว่า เ, เหมือนพระโพธิสัตว์ที่ท่านตั้งว่าเนื้อเลือดจะเกือแห่งนไปจะเหลือแท่ขอเงเองกะดจตัวความตั้งมั่นแห่งจิตไอความตั้งมั่นในลักษณะอย่างนี้มันมีทั้งตัว ความจงใจตั้งใจที่จะเป็นแบบนี้ที่จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นไอเจตจำนงเวลาตั้งขึ้นมาเนี่ยครับไอตัวเจรนามันจะไปกระตุ้นให้เกิดความเกล้ากล้าอาถารกระตุ้นความเพียรให้ทำหน้าที่ไม่กลัวกระตุ้นศรัทธาให้เกิดความเชื่อมัน่นให้ทำหน้าที่เชื่อมัน่นกระตุ้นสติให้ไม่หลงลืมกระตุ้นสมาธิเกิดความตั้งมัน่น แล้วก็กระตุ้นให้ปัญญาให้รู้และเข้าใจอย่าปล่อยให้ความหลงมันเข้ามาอีกไอเจตจำนงที่ตั้งนมันมีผลทันทีครับแต่ที่มันเสียหายก็เพราะหมู่สัตว์ไม่ได้ตั้งแบบนี้บ่อยการตั้งทุกครั้งมันมีพลังทุกครั้งที่ตั้งเจตจำนงนี่ศรัทธาทำหน้าที่ทันทีตอนนั้นกําจัดความไม่มีศรัทธาทันที ความเพียรตั้งหน้าทำหน้าที่กําจัดโกศชาอากุศลสติทําหน้าที่กําจัดมุตัสติสมาธิตั้งทําหน้าที่แล้วก็กําจัดความพุ่งสารางปัญญาทําั้งหน้าที่กําจัดความหลงทีนี้ไอ้เจตจํานงเนี้ยมันเป็นหัวนหน้าของกลุ่มนามมาทําทั้งหลายที่มันจะทํากรรมงามเนี่ยมันไม่ไม่ทําหน้าที่เหตุผลก็เพราะมันถูกตัวอื่นกล่อมกล่าวเขา ถูกโมหะกล่อมถูกราคะโทสะโมหะกล่อมถูกอกุศลตัวอื่นกล่อมหรือดึงเอาไปเป็นพวกมันก็ละเลยก็เลยลืมทําหน้าที่ใช่ไหมทีนี้เราดึงเจตนามาสติดึงเจตนามาแล้วก็ขัดเกลาบอกว่ากระแสชีวิตนี้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ให้บาปอกุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมาเกิดกลัวแล้วนะ ถ้ามีบาปกุศลธรรมมันกััวร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นชั่วร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยจะขจัดออกอย่างรวดเร็วนะจะไม่แช่อยู่จะไม่จมอยู่กับมันแล้วโอ้มันรับกันเป็นทอดทอดเลยครับแค่เราฟังอย่างนี้แปลว่าเราตั้งไปด้วยตั้งไปด้วยเนี่ยมันรับเรียบร้อยไปแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นมาทันทีมันจึงมีพลังมากมันจึงมีพลังฤกเข๋มากเหมือนการถูกปลุกเราให้ไปทําชั่วมันก็ฤกเขมในการทำชั่วใช่ไหมอันนี้ปลุกเราในการทําสิ่งที่ดีงามปลุกเรากุศล ทำทั้งหลายปลุกเราให้เกิดสีในเกิดสมาธิให้เกิดปัญญาปลุกเคราให้ว่อเพนสิกขาสามปลุกเราให้ไม่ใ ห, ให้ไม่ให้เกิดความกลัวต่อบาปอุปสรกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจออุปการชีวกอุปกาชีวกถามบอกว่าหลังจากไปเห็นว่าเออท่านเป็นใครใช่ไหมใครเป็นอาจารย์ของท่านพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราไม่มีอาจารย์อาจารย์ของเราไม่มีเราเป็นใหญ่ด้วยตนเองเต็มที่อย่างนี้แล้วจะอ้างใครเล่าว่าเป็นอาจารย์ไปต้น เราเป็นผู้ครอบงำใช่ไหมทาที่เป็นไปในภูมิสามเปิดภูมิสี่การมภูมิรวบประภูมิแล้วทั้งตลอดโลกุตระภูมิ ด, ด้วยตัวเองอย่างนี้จะอ้างใครเราเป็นอาจารย์แล้วไปไปมาก็เลยถามอกว่าแล้วเอท่านชื่ออนันตชินแล้วถามบอกว่าต่อไปท่านจะไปไหนท่านบอกท่านจะไปลั่นกองเพลีก็คือไปลัานกองลบนั่นเองลบกับใครแล้วก็กิเลสเห็นไหมทีนี้ให้สังเกตตัวนี้นว่าการว่า เป็นลั่นกองเนี่ยแล้วมานั่งนึกอย่างนี้ดูโอเวลาลบสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีกองลบก็ลาตีกองตึงตึๆๆๆึตึ้งตึ้งตึ้งต้ตั้งกระบวนตู้ตั้งกระบวนลบแล้วก็ตีกองลุกเข้าหน้าตึ้งตึ้งตึ้งตเนวมันก็จะลุกเข้าไปเลยใช่ไหมแล้วถ้าถอยก็ตั้งตีกองถอยได้ไหตึงๆๆๆมันก็ถอยเนี่ยกองทัพเนี่ยสมัยก่อนใช่ไหมเวลามันสู้กันเนี่ยเออมัน ช่วงจังหวะนี้มันจะมันจะมันจะล้าแล้วก็ตีถอยให้ถอยออกมาถอยออกมาแล้วมาตั้งหลักแล้วก็ปิดเมืองอะไรก็แล้วแต่เถอะมันจะใช้กองเป็นตัวกากับที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยจะไปลั่นกองอมาตะกองเพลีเนี่ยบอกกันเถอะกองอมาตะก็คือว่ามูสัตว์เนี่ยมันไม่กล้าสู้กับกิเลสแล้ว ไม่กล้าแล้วหโหยยอมจำน้นมาในสังสารวัตที่ในที่พระเจ้าไม่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยยอมจำน้นต่อตัาหามานาทิฐิใช่ไหมล่ะติดเชื่อตัาหามานาทิถิเป็นแถวยอมเป็นทาตให้กิเลสเคี้ยวกินให้กิเลสบงการกํากับทั้งหลายเลยเนี่ยพระเจ้าจึงบอกไปจุดแรกที่แสดงธรรมาจากกัปปวัตนสูตรนั่นเป็นจุดใงการลั่นกองลบใช่ไหมล่ะ พระพุทธเจ้าจึงบอกไปลั่นกองล้เป็นจึงไปแสดงธรรมงั้นการแสดงธรรมที่บอกว่าปลุกให้หมูสัตว์ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะทํำสัตย์ทายเกิดขึ้นทําความเพียรให้เกิดขึ้ น, น, นฝึกส ต, ติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องยอมจำนนต่อกิเลสฝึกตนเองจากสัตว์ไม่สะอาดเป็นสัตว์ที่สะอาดเป็นสัตว์ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและกองทุกข์ได้ ทีนี้เรามันสังเกต ด, ดูว่าอ๋อพุทธลั่นกองลบยังไงไอ ย, ย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเวลาฝึกศีลฝึกสมาธิจนได้ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจุิญฌานจนิญสติปัฏฐานเนบื้องต้นจนสามารถเดินอาณาปณะสติเป็นต้นเนี่ยนะจนทําสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานที่เกิดขึ้น ในขนาดนั้นก็เหมือนกับการสร้างกำแพงเมืองกันโจรผู้ร้ายกันฆาตศึกเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่ออยู่ในกำแพงเมืองเบ็เสร็จปุ๊บเราก็พักได้เราพักได้สบาเพราะเราปิดปิดกำแพงไว้เรียบร้อยแล้วก็พักใช่พักเออออกพักเอยกินข้าวเอยนอนเลยเมื่ออันเดียวกันทีนี้ถึงเวลาหลังจากร่างกายแข็งแรงเตรียมอาวุธยุโทโธปกปรณ์บเสร็จปุ๊บ ตีกองตึ้งๆๆๆๆๆๆ้งเลยเปิดประตูเมืองฝ่ายนั้นก็ออกมาใช่ไหมไปสู้กันพอสู้กันตึ้งตึ้งๆึ้เบเสร็จปุ๊บเนี่ยผลปรากฏว่ายังไม่สามารถเอาชนะได้หมดแรงแล้วก็ตีมตีกองหยุดพักลบพักรบก็เข้าประตูเมืองปิดประตูเมืองแล้วก็มาพักกินอาหารรักษาบาดแผลอะไรก็แล้วแต่เถอะให้แข็งแรงพอนั้นก็ออกไปสู้กันใหม่ก็ทําอย่างนี้นะ หลักการคือในการเจริญในพระศาสนาเนี่ยเขาจึงมีศีลศีลก็เป็นตัวป้องกันกิเลสอย่างหยาบสมาธิป้องกันกิเลสอย่างกลางใช่ไหมนั่นคืออยู่ในกำแพงพักหลังจากได้สมาธิเป็นฐานเป็ดเสร็จเอาสมาธิเป็นฐานเปิดประตูเข้าไปไปวิจัยไปวิจัยรูปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายไปแยกแยะเนี่ยนั่นน่ะคือการรบปัญญาที่ไปวิจัยแยกแยะทั้งหลายคือการรบ จนสามารถทายถอนกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารได้เมื่อไรเขาเรียกว่ารบชนะแต่ถ้ายังไม่ชนะถ้าถึงเวลามร้านมันต้องถอยออกมาแล้วก็พักอยู่กับสมาธิพักอยู่กับศีลพักอยู่กับสมาธิพักอยู่กับกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายแล้วหลังจากได้พลังแล้วก็เอาตัวนี้เป็นฐานเดินยานปัญญาเชิงลึกออกไปเป็นแบบนี้นะเหมือนกัน กรณีที่พูดวันก่อนบอกว่าไอเหมือนกับที่กรณีที่เราจะไม่ได้ทองมาแล้วไปวิจัยพวกเหออล็กดีบุกตะกัวทองแดงและเงินใช่ไหมเอาออกแล้วทีนี้ได้ทองแล้วเนี่ยได้ทองแล้วเมื่อได้ทองมาแล้วจึงเอาทองนั้นมาทำสร้อยแหวนนาฬิกาถ้ายังทำไม่สำริตผลก็ไม่หยุดนะ ถ้าตราบใดยังทำสร้อยทำแหวนทำนาฬิกาไม่สำเร็จผลก็ไม่หยุดทำเหมือนกันเมื่อจิตเป็นสมาธิเอี่ยมอ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินแล้วตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ใช้สมาธิเป็นฐานเดินนิพพานายานจนสามารถแทงตลอดถ้ายังไม่บรรลุผลก็ไม่หยุดก็ไม่หยุดเพราะเอาการที่กิเลสหมดจากขันธสันดานเป็นปเป็นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วหลักการมันก็อย่างนี้ ทีนี้เรานี่นไม่มีแม้กระทั่งที่พักแล้วก็มีแค่พวังกับจิตนี่แหละนอนพอตื่นพอออกจากพวังโอ้กิเลสวิ่งเข้าใส่เต็มที่เลยตอนนี้เพราะเราไม่มีกำแพงไม่มีที่พักเราไม่สร้างบทศีลตัวสมาธิขึ้นมาเป็นฐานเลยโอ้โหเมืองนี้เป็นเมืองอันตรายมาที่ลบทัวีทั้งวันไหวที่ไนเดน นี้พอฟังทำพระพุทธเจ้าโอ้โหได้กำลังขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมได้กำลังมาทำท่าจะออกลบหน่อยหมดแรงซะอีกแล้วปุกไม่ขึ้นปุกไม่ขึ้นเนี่ยมันมันไม่มีฐานไม่มีหลักการไม่มีที่จริงหลักการคำสอนพระุทธเจ้าเนี่ยวางระบบรูปแบบไว้หมดเลยเนี้ระบบเอ่ยรูปแบบทั้งหลายเลยนี้บอกวิธีการเบ็ดเสร็จหมดพระุทธเจ้าสุดยอดตทสาวกยุคนี้สุดแย่ ก็คือเราไม่ทําตามที่พระธรรมจบอกก็เลยเสียหายเลยโอ้โ oh, หหนึ่งที่จริงวันนี้จะพูดเรื่องียาบทบาปกับสมปัญญาบาปยังไปไม่ถึงไหนเลยชั่วโมงแล้วทีนี้จะดูียาบทบาปหน่อยไหม เพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราตลอดใช่ไหมเอ อ, อียาบทเนี่ยมันมีสนะี่นดูในคำสอนพระพุทธเจ้าตรัสว่านะ บอกว่าภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเนาะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าพูดให้เต็มเต็มอัตราของเขาเขาก็จะจะพูดถึงในเรื่องของคาว่ายืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าเอียบทบับพระต่อจากอนาปนะบัพ ดูก่อนภิกษุท Re ั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นด้วยเหตุดังพารนามนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายทั้งภายในและภายนอกบ้างเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้าง เห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายบางอยู่อันหนึ่งสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อเพื่ออะไรเพียงเพื่อให้เกิดยานะคือความรู้กายมีอยู่เพียงเพื่ออาศัยให้เป็นที่ตั้งของสติคือระลึกเท่านั้นแล้วก็บอกว่าเธอเป็นผู้ อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเป็นต้นที่ประเด็นอยู่ว่ากายมีอยู่กายมีอยู่เพียงเพื่อเป็นอุปกรณ์เพื่อให้สติและปัญญาเจริญเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสติและปัญญาทีนี้โดยมากเราไม่ได้เข้าใจเรื่องกายมีอยู่เพียงเพื่ออะไรนี่เป็นต้นใช่ไหมทีนี้ประเด็นก่อน ียาบทเนี่ยียาบทเนี่ยเป็นไปทางคือความเป็นไปียาบทนี่เป็นเรื่องของรู ป, ปกายเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นไปทางความแห่งการเคลื่อนไหวคือกิาทางกายได้แก่การเดินได้แก่การยืนได้แก่การนั่งและการนอนว่าโดยสภาวะได้แก่ความเป็นไปของรูป ที่กําหนดด้วยกริยาทางรูปกายมีการเดินการยืนการนั่งกันถามว่าการยืนเดินนั่งและนอนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากจิตใช่ไหมล่ะทีนี้จิตที่ทําให้อียาบทตั้งมัน่นคือจิตกลุ่มไหนนี่เจาะกลุ่มกลุ่มที่จิต ที่ทำให้เอียบทตั้งมั่นคืออัปนาชานะทีนี้อัปนาชานะก็คือกลุ่มพวกฌานนจิตใช่ไหมพวกฌานนจิตเนี่ยพวกรูปาวจรกุศลอ ร, ศลรูปาวจรกรุศลรูปาวจรกิริยารูปาวจกิริยาแล้วก็กลุ่มโล ก, กุตระฉะนั้นในขณะที่ ชาวนาจิตที่เป็นฌานนจิตเกิดขึ้นปุ๊บจะยังรูปกายมีอยู่ในอียบทที่ตั้งมัน่นไม่ไม่ขยับเขยื้อนเช่นคนเข้าฌานคนเข้าฌานสมาบัติอยู่ในฌานสมาบัติชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีอยู่เจดวันนี่นื้อเขาตั้งมั่นเจ็ดวันไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวเ น, เ, เนี่ยียบบทเนี่ยยืนโดยมากยืนเขาจไม่นานเท่าไหร่ ก็มีนะยืนเข้าฌานนั่งเข้าฌานนอนเข้าฌานนี่ได้แต่เดินไม่ได้เดินเนี่ยเข้าได้แค่วกววเช่นเช่นในระหว่างเดินปุ๊บเนี่ยเข้าอย่างรวดเร็วแล้วออกอย่างรวดเร็วอย่างพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยขณะที่เดินอยู่ในท่าที่กำลังเดินเข้าวักเดียวเนี่ยพอได้อยู่แต่โดยมาก อียบวเดินก็ไม่เข้าใจยืนได้ยืนเข้าสมาบัติเช่นตอนยืนที่เป็นที่อนิมิสเจดีนั่นอย่างนี้เป็นต้นหรือหรือนั่งเนี่ยได้นอนได้แต่ว่าอียบทที่ที่ใช้มากที่สุดก็คือ น, นั่งที่ต้องการชี้เห็นคือ ตัวอัปนาชานะาทรงียาบทนั้นให้ตั้งมัน่นกิจกลุ่มนี้ทำให้ียาบทตั้งมั่นได้ถ้าคนได้สมาบัตได้สมาธินจะเป็นคนที่อยู่ในียาบทที่มีความตั้งมั่นเสถียรมาก เพราะว่าตอนนั้นเน่เมื่ออปนาชาวนะเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวจะไม่มีความคิดว่าเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะแล้วก็กุศลอปนาชาวนะเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องรับอารมณ์เดียวอยู่และในขณะเดียวกันก็ยังวายโยธาเขาเรียกจิตตยวายโยธาเน้นให้ทรงกายไว้ให้อยู่ในท่านั้นนิ่งอยู่ในท่านั้น ตามที่กำหนดที่ชาวนะนั้นเป็นไปอยู่จะเป็นช่วโมงสองชั่วโมงหรือเป็นวันก็จะทรงอยู่ในท่านั้นนี่เขาเรียกว่าชาวนะหรือกลุ่มจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ทาให้เอียบดตั้งมัน่นทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วกลุ่มที่อียบด ทั้งหลายที่มีการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เนี่ยคือกลุ่มไหนกลุ่มจิตกลุ่มไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าดูวังก่อนผวังกจิตหรือกลุ่มพวกจักจัยาพิเรนเอาไม่ต้องเจาะรายละเอียดลึกแล้วเอากลุ่มพวกผวังกจิตคือเวลาเรานอนเรานอนเราใช้ผวังกจิตคนที่ผวังกจิตเนี่ย เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องและเสถียรเนี่ยยาวๆเนี่ยโดยมากจะอยู่ในเอียบอดนอนถ้าอยู่ในเอียบอดนั่งก็ทําอียบอนั้นให้ตั้งอยู่งั้นเลยหรืออาจจะอยู่ในท่าไหนก็แล้วแต่คือหลับนั่นเองหลับนั่นเองก็จะไม่รับอารมณ์ปัจจุบันแล้วจะมีกรรมอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์แปลว่าลงสู่ผวังกับจิ ไอ้ตัวผวังกจิตนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้การรัชกายทั้งหลายเหล่านี้ถูกหล่อเลี้ยงรักษาซ่อมแซมได้ที่จริงถ้าตัวอัปนาชาวนะหรือกลุ่มชาวนะที่เป็นชาณจิตเนี่ยรักษาซ่อมแซมได้ดีกว่าผวังแต่หมูสัตว์อย่างเราเราท่านทั้งหลายไม่สามารถทำชาณจิตให้เกิดขึ้นได้ การัชกายรูปกายของเราจึงพังและซ่อมแซบได้ไม่ทันโดยเฉพาะเมื่อแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยการลงปรวังกับจิตได้ไม่ดีเหตุผลเพราะว่ามันเจอผัสสะการาชกายทั้งหลายที่มันถูกโรคเบียดเบียนถูกความตึงความเย็นความร้อนทั้งหลายเลยมันไม่เสถียรฉะนั้นคนที่มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมไม่เสถียรไม่บาลานเพราะความแก่งงอมเพราะถูกชลาเบียดเบียนถูกปยาที่เบียดเบียนทั้งหลายจึงนอนหลับไม่สนิท มันจะกระตุกขึ้นตลอดเวลาเลยมันต่างจากคนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังหลับสนิทอย่างเราทั้งหลายเพราะดินน้ำไฟลมเนี่ยยังได้บาลานซ์ได้ดุลยภาพอยู่มันยังเอื้อต่อการนอนและมีความสุขใจอยู่ยกเว้นคนที่เดินจิตในสติปัฏฐานได้ดีแล้วถึงแม้โรคภัยเบียดเบียนทั้งหลายเขาจะยังจิตให้อยู่กับกรรมฐานอะไร สามารถจะเข้าสู่สมาธิอะไรได้ค่อนข้างดีแต่อย่าลืมนะทำไมเขาจึงให้เจริญสติปัฏฐานในวัยหนุ่มเน้นเมื่อเน้นเข้าสู่วัยแก่แล้วร่างกายถูกชลาเบียดเบียนถูกพยาธิเบียดเบียนมันจะเข้าชานไม่ได้เข้ายากฝึกให้สเสถียรได้ยากมากเมื่อได้ก็หลุดง่ายได้ก็หลุดง่ายโรคมันเบียดเบียน ดินน้ำไฟลมมันเบียดเบียนอย่างรุนแรงมันไม่เสถียรคนแก่จึงเข้าสมาธิไม่ ไ, ได้ยกเว้นพระรหันตาเจ้าทั้งหลายที่ท่านฝึกมาอย่างดีจนเป็นว ส, สีจนชำนาญแล้วถ้าปุถุชนทั้งหลายหลุดหมดที่ได้ชานตอนเป็นหนุ่มแก่ตัวชานก็พังนี่มันเสียหายตรงนี้จะรีบฝึกก็ฝึกเสียในตอนวนัยหนุ่มที่จะพูดให้ฟังไปถึงวัยแก่แล้วมันไปไม่ได้แล้ว ไปไม่เป็นนอนไม่หลับนั่งสมาธิก็หลับนี่มันมันเสียหายตรงนี้พอเข้าใจใไหมเนี่ยมันขนขวายได้ในยามนี้ยากแล้วยากแล้วแค่โรคหวัดโรคคือหอบแค่นี้ไปต่ไม่เป็นแล้วกยกนี่มันอันตรายอย่างนี้ ทำไมเขาถึงเล่งขวนขวายกันในยามที่ยังไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเพราะว่ามันมันยากมากเลยในขณะที่ถูกธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมันแปลปวนขึ้นมาเบเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่เสถียรเลยมันมันแต่ถ้าจิตเสถียรปุ๊บมันปรับปรับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟให้ได้ดุลยภาพจิตยิ่งตั้งมั่นเท่าไหร่ยิ่งปรับได้ดีถ้าเข้าสมาธิได้โรคหายเลย เขาถึงว่าสามารถขจัดโครคภัยไข้เจ็บได้เลยงั้นคนที่มีสมาธิดีๆทั้งหลายเนี่ยโอ้โหร่างกายฟังใสแล้วก็ไม่มีไม่ใช่โอ้โหเป็นนักปฏิบัติแต่ก็มึ้ยเดี๋ยวก็นวดนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วแสดงให้เห็นว่าสมาธิเข้าไม่ได้จริงคนได้สมาธิหรือไม่ได้สมาธิมันนอนปุ๊บจับเส้นเนี่รู้เลยจับเส้นก็นรู้ คนเส้นตึงไปทั้งตัวนี่ไอ้นี่ไม่ได้สมาธิอะเครียดกินเครียดกินบางทีเด็กๆยังเครียดเลยยังเส้นยังตึงเลยเครียดมันเพราะว่าฝึกจิตไม่ดีพอมันมันบาลานซ์กันหมดฉะนั้นสรุปตรงนี้ต้องการชี้เห็นว่าฝึกในช่วงนี้แหละนะอาทีนี้ขยายเรื่องจิตนิดหนึง่งจะได้เข้าใจว่าบรรดา หรือไม่อย่างนั้นก็ทุกวันนี้ที่เราบอกว่าทำอย่างไรเน้ะ no. ร่างกายเราจรึงจะเสถียร น, นอนเยอะๆให้พวังรักษาให้พวังซ่อมแซมแล้วทำกันอย่างนั้นแหละโดยทั่วไปเพราะสมาธิมันไม่ได้เพราะไม่ได้สมาธิเอาทีนี้ใน ในบรรดาจิต ท, ที่ทําให้จิตตะชรูปสามัญเกิดขึ้นก็คือได้แก่จิตเจ็ดสิบห้าเว้นกลุ่มพวกไอ้อารูปทั้งหลายกลุ่มพวกผวังทั้งหลายเหล่านี้เป็นตนน้นนะนและกลุ่มกูกลุ่มพวกทวีสิกลุ่มพวกไอ้ตัวทวีทวีทวปัญจาวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นตน้นจิต ท, ที่ทําให้การหัวล้อเกิดขึ้น เวลาเราจะหัวเราะเนี่ยมันมีจิตอยู่เบื้องหลังเช่นโลภะโสมนัสสีฉะนั้นที่คนที่หัวเราะเนี่ยเช่นเกิดขำใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นโลภะโสมนัสฉนั้นเวลาโลภะโสมนัสสี่ประเภทเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันผลักให้การหัวเราะ อ, ออกมาดีใจดีใจแบบโลภเนี่ยโลภดีใจที่ได้เห็นคนคนนี้หกล้ม ชอบใจอย่างนี้ไม่ใช่มหากรุสนุนไม่ใช่เคยเห็นเคยเคยหัวลาะคนอื่นใช่ไหมคนเขาเดินเดินไปเขาล้มหัวขาวโมดดีใจหัวล้อเนี่ยอันนี้ไม่ใช่มหากุรุสุมหรือว่าเห็นคนคนเขาเปิลเปิลอย่างเงี้ยโอ้ดีใจเห็นคนเพี้ยนเพียนทั้งหลายดีใจเห็นคนเขาทาอะไรหลุดหุเนี่ยดีใจเงี้ยกรณี้เป็นโลภะสมณัตแล้วก็สมณัตหาสีตุปาท่าจิต อันนี้เป็นการยิ้มการหัวลาอของพระลาหานทะั้พระลาหนทั้งหลายเวลาที่จะหัวลาอหรืออะไรทั้งหลายจะจะประเภทจิตเหล่านี้เป็นตัวผักขึ้นมาให้มีการยิ้มยิ้มแย้ ม, ยมแล้วก็มหากุศุนสมมนัสสีอันนี้ปุถุชนก็ได้พระเศขาบุคลเป็นต้นก็ได้หัวล้ อ, อยังไง ร, รู้สึกหัวลาอชื่นใจที่ได้ให้ทานชื่นใจที่ว่าได้สมาธิ ดีใจมากที่ได้จําพระธรรมคําสอนของพุทธเจ้าได้ดีใจมากที่ได้ละบาปอกเสลกรรมมันชั่วร้ายดีใจมากว่าการประพฤติปฏิบัติของตนเองเนี่ยมันลดหน้าดีๆเหลือเกินชื่นใจเคยเป็นไหมอย่างนี้ตื่นเต้นจริงๆได้ไหว้พระตื่นเต้นจริงๆได้ฟังธรรมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขตลอดเลยเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมหากรุศุนทรเมืนกันเนี่ยแหลกลุ่มหากุสุทรมืนกัน น่เป็นนั่นแหละมากุศนสมนั้นส่วนมหากริยาสมนัตนั้นหมายถึงพระลหันพระลหันตาเจ้าทั้งหลายท่านชื่นใจดีใจเหลือเกินที่ท่านจะได้นิพพานทันทีนั้นท่าบอกว่าท่านจะเข้าสู่อนุ ป, ปาทานบริิพานี่ตื่นเต้นท่านชื่นใจมากเลยชื่นใจเห็นท่านชื่นใจขนาดนั้นหรือตื่นเต้นชื่นใจที่เห็นบุคคลได้บรรลุธรรม ถ้าเห็นใครบรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยโว้ชื่นใจมากดีัปะสะปสตินแปลว่าสงบแต่ถ้าสมนัตเนี่ยสูงกว่าสูงกว่าอย่างนี้เป็นตน้นจบแล้วก็คือว่าจิตที่ทำให้การหัวเราะเกิดขึ้นได้มีสิบสามประเภทนี้แหละจิตที่ทำให้เกิดการร้องไห้โทสะ โทสะสองเนี่ยที่ทำให้ร้องไห้เกิดขึ้นเคยร้องไห้ไหมครับปิติใช่ไหมยอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่โทสะอันนั้นเป็นอำนาจของปิติปิติในมหากุศลปิติเนี่ยมันจะขึ้นวูบวูบี่คุมไม่อยู่เลยไอ้กรณีอย่างเนี้ยแต่บางทีมันมีโทสะแทรกก็เหมือนกัน เช่นว่าโอ้โหเสียใจเหลือเกินทำไมเราไม่ได้บรรลุแต่ถ้าปีติโดยส่วนใหญ่ก็เป็นมหากุศลนนะั่นเลยเป็นมหากุศันมันผลักออกมามีกำลังของปีติมันแรงน่ปีติมันแรงมันจิตที่ทำให้การร้องไห้เกิดขึ้นโดยมากเสียใจจากการที่สูญเสียญาติสูญเสียโภกระพั์นะี่เนี่ยใช่ไหม ยาติพยาสนะสูญเสียญาปโคะพยาสนะสูญเสียพวกทระซับแล้วก็โรคเบียดเบียนโลคขาพยาสนะเกิดโรคภัยเบียดเบียนตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องสีรับพยาสนะศีเราวิบัติเราไม่น่าไปทําชั่วเลยกายโยตจริญวิจิรจิญมโนเจริญเกิดขึ้นแล้วก็ทิฏฐิพยาสนะเสียสัมมาทิฏฐิเราไปเห็นผิดได้ยังไงไม่น่าจะเห็นผิดเลยเสียใจ เนี่ยโทสะเกิดลอกให้เราไม่น่านอนมากจนเกินไปเลยเสียใจจริงเสียใจจริงนอนน้อยเกินไปไม่มีเจตีทำให้การเคลื่อนไหวเอียบทเนียเอียบทน้อยนอยขยับขยื่นเคลื่อนไหวทั้งหลายเลยนี่กลุ่มพวกนี้ครับพวกมโ น, นทวารเราชนะกับพวกกามมชวนะยี่สิบเก้าพิญญาด้วย สามสิบสองกลุ่มพุกามะชวานะเนี่ยเช่นเอโลภะโทสะโมหะได้อกุศลสิบสองมหากุศลมหากิริยาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก่อนหน้านั้นก็ต้องเป็นมโนที่เกิดรวบก่อนงั้นเป็นเหตุแห่งการเคลื่อนไหวเอียบดเ น, น้อยก้าวไปถอยกลับแล่ตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกกินดืม่มเคีืยอนลิ้มเนี่ยอียบด น, น้อยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อียบทใหญ่ด้วยเช่นก็คือ เกี่ยวในเรื่องของเอียบทหรือกิจที่ทำให้การทำให้การพูดเกิดขึ้นการพูดเกิดขึ้นก็ใช้กลุ่มนี้แหละเช่นเกิดความโลภขึ้นมาผลักดันให้การพูดเกิดก็ได้โกรธผลักให้คำพูดเกิดก็ได้ฟุง้งซ่านมัวเมาลุ่มหลงหรือเกิดกุศลสรุปแล้วก็คือว่าเห็นไหมในการที่เราพูดเนี่ยเบื้องหลังของคาพูด ของรู ป, ปกายที่มันเคลื่อนออกมาขยับออกมาทั้งหลายสายเสียงกล่องเสียงที่มันเปล่งออกมามันมีโลภะโทสะอยู่เบื้องหลังก็ได้โมห oh ะอยู่เบื้องหลังก็ได้เป็นตัวผลักดันให้สังเกตดูอย่างนี้แล้วเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อแท้จริงมันเป็นกลุ่มของขันห้าที่มันผลักออกมาเปล่งเสียงออกมาทั้งหลายเหล่าเนี้ยโดยส่วนใหญ่ถ้าคนไม่รู้พระธรรมอยพูดในจิตประเภทไหนะโดยมากเป็นโลภะโทสะโมห oh ะมันพูดไปเรื่อย เช่นเดินลงมาลกเหลือเกินเว้ย <Tyson> ค <Legend Means> ือพระรหันเนี่ยท่านไม่ได้มีไม่ได้มีโลภะตัสะโมหะเป็นตัวผักดันไม่มีอกุศลเจตสิกสิบสองเป็นตัวผักดันแล้วท่านละบาปสรักรามันชั่วร้ายหมดแล้ว ฉะนั้นตัวที่พระละหันท่านพูดออกมาเนี่ยเป็นอัธยาศัยของท่านบเบสเสร็จฉะนั้นท่านไม่ต้องมีเจตนาที่จะละวจีทุจริตเพราะว่าเวลเจตนาอกุศลมันถูกถอดรหัสบนแล้วพระละหันทั้งหลายวิรติไม่เกิดกับท่านแล้วไม่ต้องใช้วิรติไม่ต้องใช้สัมมาวาจา่าสัมมากรรมตะสัมมาชีวะแล้วท่านก็มีแต่กถาสัมมาวาตาเจตนาสัมมาวาจาวิรติสัมมาวาจาไม่มี แม้ก็สาัมมากรรมตาก็ไม่มีสัมมาชีวาก็ไม่มีเพราะว่าท่านไม่ต้องมีกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการที่จะล่วงละเมิดไอ้พวกเราเนี่ยมันต้องใช้เช่นเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุการพูดเท็จมีอยู่ไหมเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุการกล่าวเท็จเจตนาชั่วร้ายที่เป็นเหตุการกล่าวส่อเสียดเจตนาชั่วร้ายที่เป็นการเหตุการกล่าวเพื่เอเจาะกล่าวคำหยาบยังมีอยู่ การที่จะละเวลาเจตนาอากุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้ได้มันต้องใช้วิรติมาละแต่วิรติจะเกิดขึ้นมาทําหน้าที่ไม่ได้เลยถ้าขาดเจตจำนงความจงใจตั้งใจขาดอัลโลพะความไม่โลภอัโทสากความไม่โกรธหรือปัญญามันจะต้องมีแรงขับเคลื่อนมาจากตัวกลุ่มกุศลธรรมเหล่านั้นความละอายต่อบาปความเชื่อมั่นทั้งหลายเหล่านี้ความเพียรพยายามทั้งหลายเป็นแรงกระตุน้นผลักดันขึ้นมาให้วิรติทํางาน ให้เจตนาให้วิรติทํางานเวลาจะเป็นนั่งแท่นในการจัดการเจตนาชั่วร้ายไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยมันคอยนั่งในใจเราก็คอยตัดรอนตัดรอนตัดรอนตลอดเราจรึงต้องใช้วิรติวิรัตคือความงดเว้นไม่ว่าจะเป็นสมาทานวิรัตและสัมปตตะวิรัตต้องใช้ตลอดเลยสมาทานวิรัตก็คือตั้งใจด้วยการสมาทานตั้งแต่วันบวชสมเนนก็สมาทานตลอดนั่นแหละสิกขาบท10ประการเป็นต้นเหล่านี้แหละ สัมปตาวิรัตก็คืองดเว้นได้เฉพาะหนะ้าเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นมันไม่ต้องตั้งใจไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเลยมันเกิดจากความละอายต่อบาปเกิดจากความเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นมาหรือมันเกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้มาจากสมาทานมันก็มีสองส่วนแต่สมุเฉทวิรัตเนี่เป็นของภาริยะที่ทันละบาปได้อย่างถาวรใช่ไหมเมื่อทานละได้เด็ดขาดเบ็ดเสร็จพวกถึงจะเป็นสมุเฉทวิรัต พวกเราเนี่ยต้องใช้สมาทานวิรัตกับสัมปตาวิรัตแต่จะรอให้สัมปตาวิรัตอย่างเดียวไม่ไหวคุณต้องสมาทานทุกวันต้องตั้งใจทุกวันในกรณีที่ตั้งใจว่าบะไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดจะไม่ให้บาปอกศรกรรมมันเกิดจะให้กุศลความดีนั่นแหละคือสมาทานนี่คือสมาทานคือความตั้งใจนีหลักการปฏิบัติในชีวิตจริงๆเลยครับถ้าเราไม่มีตัวนี้มันค่แข็งแรงและจบหตุจบอะไรชีวิตจบ เนี่ยกรณีที่เราเปล่งวาจามาได้มากมันมันมันชำนานมากราคาโทสามห ه ผักคำพูดออกมาตลอดนะครับชำนานจนโอ้โหมันเป็นเราไม่เคยรู้เลยว่าเรากล่าวทุจริตทุกวันแค่เราใครเอาของมาวางตรงนี้ย่ยไ ม, ม่เป็นวาจีทุจริตนยพูดหยาบมันโกรธแล้วพูดไงเครียดแล้วพูดไง ง่วงแล้วพูดเป็นทุจริตหมดเนะเนี่ยยังไม่ยุ่งจะเนี่ยอย่างงี้ทุจริตนะเนี่ยเกล่าวทุจริตใช่ไหมหรือว่าเห็นเห็นต้นไม้คนไม่รดน้ําสั่งให้รดแล้วไม่รดแค่เนี้ยเป็นวจีทุจริตแล้วครับนบางทีบางทีเรา ยืนคอยโกรธวารีบเดินเนี่ยเป็นวจีทุจริตนะครับพูดธรรมดาเนี่ยรีบเดินเนี่ยวจีทุจริตครับเป็นอะไรวจีกลุ่มไหนเอาเวลาเราไปคอยแล้วไม่มาทีไวไวๆอ่ะคํานี้เป็นวจีทุจริตกลุ่มไหนพูดเทศสอเสียดคาหยาบเพ่อเจเนยเห็นไหมหยาบมันหยาบจริงๆ ฉันมึงบอกว่าทุจริดเกิดตลอดทั้งวจีกรรมทั้งกายกรรมไม่ต้องพูดถึงท่านเครียดแล้วเดินเนี่ยเดินรดเยอะยังไงนกใใจเงี้เห็นไหมมันผักออกมาอย่างนี้ตลอดเพราะว่าพราะจิตมันโกรธละมาก็ผักให้เดินผักให้พูดผักให้กระทำทั้งหลาย ทศจริตมันยังเกิดพอเอานั่นเป็นประมาณก็ไม่ได้อันนั้นมันเป็นเพียงว่าจิตชโรคมันออกมาบางทีนกมันมึนมันไม่บินก็ได้บางทีมันไม่ได้จับอาการเราแต่เอาจิตเราเป็นประมาณครับ อาจิตเราเป็นประมาณอาสภาพจิตที่มันเกิดความรุ่มร้อนเล่าร้อนหรือเยือกเย็นเบาปร่องโลง่งเอาความรู้หรือไม่รู้ทุกนเป็นประมาณยยาสิ่งอื่นข้างนอกสิ่งอื่นพอเปรียบเทียบได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราวตรงนั้นก็อยู่ที่เจตนา เจตนาถ้าเป็นกุศลกุศลจิตมันเกิดการสวดมนต์มันก็มันก็โอเคแต่บางครั้งเนี่ยมันสวดมนต์จริงแต่อากุศลมันเกิดก็ดานใช่ไหมคือมันสวดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าในขณะเดียวกันมันไม่สบายใจแต่ก็สวดไปอย่างนั้นใจก็เครียดใจก็วิตกกังวลอยู่มันไม่รู้บทสวดไม่ได้มีศรัทธาในการสวดมันก็สวดไปอย่างนั้นแหละเขาให้สวดก็เหมือนเด็ก ใช่ไหมจับมานั่งสวดมันก็สวดไปมันก็ได้นึกในใจว่าเมื่อไรจะจบมันเหนื่อยมันอะไรต่างต่างอย่างนี้มันมันที่จะถามคือ มันมันก็ทำได้แต่ก็ให้มีความเคารพในพระธระรมให้มีความเคารพในพระรกกธรรมอ๋อบางทีเนี่ยบางทีถ้ามันเกิดสภาพอย่างนั้นเนี่ยมันไม่อยากเจริญกุศลไม่แรงต่างๆบางทีต้องต้อ ง, ต, องต้องใช้คำพูดแรงๆกับมั น, นอบอกอ๋อ มันอยากมันอยากยังมันอยากจะจมอยู่ในสังสารวัฏมันอยากจะจมอยู่ในกองทุกข์มันอยากจะไปอบัยทุกข์ทวิบากในกมันยังไม่เข็ดก็ปล่อยมันไปปุงแต่งว่าเอออย่างเงี้ยสมน้ําหน้าแล้วต่อไปอย่างต้องไปจมอยู่ในสังสารวัฏมันจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะต้องไปรับใช้เขาอีกมากมายจะต้องไปเกิดเป็นเปรตอีกหลายร้อยอัตภาพจะเกิดเป็นสัตว์นรกจะได้เกิดเป็นอสุรกายจะได้เจ็บปวดในสังสารวัฏนั่นอย่าไปเจริญมันแล้นอนอยู่อย่างนั้นแหละบอกมันีย่ง้ เออจงนอนไปนอนอย่างเงี้ยนี้แหละกลุ่มสัตว์ทั้งหลายที่เก็บปวดในสังสารวัฏก็คิดอย่างเธอนี่แหละคิดอย่างเจ้านี่แหละคิดแบบนี้แหละกระบวนการอย่างนี้ชัดพวกนั้นเดี๋ดยวบอกนี้รอตั้งเจตน า, า, าทั้งหมดเหล่านี้คือบางทั้งหมดเหล่านี้คนที่ใช้เจตนาเป็นเนี่ยก็จะได้เปรียบ พรกลุ่มตัวบรรดากุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเหล่าเนี้ยมีเจตนาเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่แล้วเจตนานเป็นหัวหน้าของกลุ่มกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายใช่ไหมท่านอุปมาอมก็เหมือนกับเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำกองทัพนี้เป็นต้นเป็นตัววางจุดแจงว่าคนนั้นทําหน้าที่อะไรคนนี้ทําหน้าที่อะไรเจตนาเป็นทํากิจในเรื่องตรงนี้คนที่ตั้งเจตนาเป็นให้กุศลเจตนาเกิดขึ้นเจตนาดีทั้งหลายเกิดขึ้นจึงได้เปลี่ยน เจตนาให้ศรัทธาทำหน้าที่เจตนาให้ความไม่โกรธความไม่โลภหรือปัญญาทำหน้าที่เป็นต้นเหล่านี้เจตจำนงนั่นเองเป็นตัวขัดขวนขวาย ใ, ในการกระตุ้นเตือนทีนี้เราก็ต้องเข้าใจสภาวธรรมเหล่านี้ที่ที่พูดตรงนี้อย่างว่าจิตที่ทําให้การพูดเกิดขึ้นเนี้ยจิตที่ทำให้การกระทําเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือกลุ่มของกลุ่มโชนะกลุ่มกุศลโชนะอกุศลโชนะแต่เราคุ้นเคยคุ้นเคยในการที่จะ พูดด้วยความไม่พอใจหรือความพอใจเช่นเราเกิดตัณหาเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากจะพูดใช่มออดอ้อนอยากจะพูดเอา อ, อกเอาใจเขาอยากจะพูดไปชมเขาตัณหามันอยากได้มันอยากได้ใช่ไหมไอมานะมันอยากใหญ่ทิฏฐิมันใจแคบเนี่ย มันก็ผักให้คําพูดออกมาแล้วจะพูดยังไงทําให้ตนเองได้พูดยังไงทําให้ตนเองมันรู้สึกดีอยู่ดีพูดยังไงทําให้ให้คนที่เราพูดมันเป็นไปตามความคิดเห็นของเรามันก็มันก็ปรุงแต่งมันฉลาดตามตามปริมาณของเวลาฆาตตัวสามหะนั่นแหละมันก็ผักออกมาเป็นคําพูดฉะนั้นพวกนี้มันถึงสามารถไปพูดมันอยากจะได้ใครสักคนโอ้โหมันเพียนจังเลยนะ มันเพียนไปพูดไปคุยต่างๆกับเขาเอาของไปให้เขาไปล อ, อกเขาเนะี่ยไปลออ่อคืออยากจะได้นั่นแหละเห็นไหมทั้งหมดเหล่านี้ยเป็นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวาจาก็ผักออกมาการกระทาเป็นมิจฉากรรมตะมันเป็นอย่างนั้นมันผักกระบวนการอกุศลเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลย อ, อย่างนี้แหละถ้าในเชิงละเอียดอ่อนถ้าเราเป็นสัตว์ ปราถนาอยากจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มันจึงต้องรู้จักรู้จักกิเลสเหล่านี้หรือชาวนะที่เป็นอคุศนเหล่านี้ที่เป็นตัวผลักดันเหมือนกรณียกตัวยอย่างเช่นว่าท่านพระนันท์ท่านพระนันทะเวลาท่านจะมองไปทางทิศเหนือท่านก็จะต้องระมวลก่อนว่าเราหันไปทางทิศเหนือเนี่ยบาปอคุรกรรมมันชั่วร้ายอลามกจะเกิดขึ้นท่วมทับจิตเราไม่หนอ ถ้ารู้ว่าหันไปทางทิศเนี้ราคาโทสะโมหะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญไปบูลท่านจะไม่หันเด็ดขาดท่านจะไม่หันเด็ดขาดเพราะมันเสียประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์คือศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่เห็นไหมกรณีแบบเนี้ว่าท่านท่านจึงกําหนดค่อนข้างที่จับรายละเอียดมากในการขนาดมองเนะืเหลียวนี่นะในการแลตรงแลเหลียวทั้งหลายเหล่านี้ ท่านจะกําหนดประโยชน์ทุกเรื่องกําหนดสปายะทุกเรื่องอกําหนดไอ้โคจระและกําหนดอสมัมโมหะท่านจะฉลาดในการกําหนดแบบนี้ตอนฝึกแต่เริ่มฝึกถ้าเป็นพาระอรหันต์แล้ว <S 2> <S 2> ท่านไม่ต้องไปกําหนดแล้วท่านไปโดยเป็นออโตเมติกเป็นอัตโนมัตินะเป็นเป็นอัตโนมัติในตัวเองในกรณีที่ท่านไม่ต้องไปไม่มีเจตนาละบาปผู้บาปหมดแล้ว มันไม่มีไม่มีเชื้อโรคในร่างกายก็มไม่ต้องไปจัดการกับเชื้อโรคเลยนะั้นแล้วเนี่ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันมันมันเป็น ส, สะอาดแต่ตอนก่อนที่ท่านจะเป็นสัตะอาดท่านกำหนดหมายอย่างนี้มันเป็นการฝึกมันข้อฝึกนะี่นะนั้นท่านละกำหนดหมายก่อนเป็นเสร็จเพราะถ้ามีคนชวนเนี่ยเออไปไปที่ทามม่าน้ํานนท์ไหมสมมุติ ไ, ไม่รู้เพ <laughs> ิ่งนึกออกเนี่ยสมมุติสมมุติ กำหนดหมายว่าเอไปหน้าที่ตัวนี้ประโยชน์เป็นศัตราศสมัมปชัญญะมันเป็ น, ป น, ป น, ปนได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมประโยชน์ทั้งด้านรูปธรรมไปตรงนั้นอากาศดีไม่ดียังไงมีอะไรต่างๆอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือไม่ไงเป็นต้นใช่สองอกุศลมันจะเกิดไหมศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหรือราคะโทสะโมหะมันจะ ถ้ามันไปโหมันได้แค่ได้แค่ประโยชน์ทางด้านร่างกายถึงด้านด้านานํามาทําให้ได้กุศล น, นั่นไม่ไปไม่ไปเพราะไม่ได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นหรือสมมุติมันเป็นประโยชน์จริงๆนะโหไปแล้วมันได้สุขภาพร่างกายด้วยได้เจริญกุศลด้วยแต่ช่วงนี้คนเยอะไม่ไปเพราะไม่สปายะเห็นไหมเห็น ไ, ไหมไมันไม่สปายะอาะถ้ามันไปเสเสร็จโอได้ทั้งสปายะท่านไปและในขณะเดียวกันท่านได้ ได้เดินกุศลได้ติดต่อและต่อเนื่องถือกรรมฐานไปกรรมฐานไม่หลุดอย่างนี้เป็นโคจระท่านไปหรือเป็นอสัมโมหาท่านมองด้วยความเป็นกระแสชีวิตเลยว่าจริงๆก็คื อ, อรู ป, ปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขาระขันวิญญาณขันกระแสชีวิตรูปน้ำกายกับใจทั้งหลายเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือขันห้าในไปขันห้าในกับการไปเกี่ยวข้องกับสัตว์บุคคลไม่มีหรอกแท้จริงก็เกี่ยวข้องกับขันห้าเห็นด้วยความเป็นกระแสชีวิต พาแยกแยะรายละเอียดได้ทั้งหมดเลยไม่หลงเลยองนี้นีมม่เป็นอาสามโมหาสมเชิญยะหลักการเป็นอย่างเงี้ยนีสมมุติว่าผมกับท่านวันเนี่ยไปที่ที่นึ่งแล้วผมก็รอท่านวันอยูแล้วท่านวันก็เดินข่อกิ่งไปเรื่อยๆแล้วคือต้องมีไปเพราะกินดูแล嗯嗯嗯 อ๋อเอ้ยอย่างนั้นเขาไม่คิดแบบนั้นเขาเขาก็พูดนี่แหละแต่เขาตั้งเจตนาที่เป็นกุศลพอตั้งเจตนาที่เป็นกุศลตัดรอนความหงุดหงิดออกก่อนถ้ายังหงุดหงิดอยู่เขาจต้องคงวิจัดการให้เสร็จว่าเราจะเราจะอาศัยอนุเคราะห์ท่านวันจากที่เป็นคนอ้อยอิ่งเป็นคนที่ไม่รู้การเป็นคนที่ไม่ฉลาดเป็นคนที่ไม่รู้จากการจากการเกี่ยวข้องกับผู้คนเอาแล้ววันนี้ได้โอกาส เราจะพูดเห็นไหมว่าหนึ่งจะพูดคําจริงจะพูดคําที่เป็นประโยชน์จะพูดถูกกาลจะพูดด้วยเมตตาเมาตั้งเจตนาอย่างนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วพอตั้งเจตนาอย่างนี้เป็นเสร็จปุ๊บแล้วก็พูดไอ้ตัวกุศลจิตตุปบ่าที่มีศรัทธาที่มีปัญญาที่มีเจตนาที่ดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นขับเคลื่อนแล้วก็พูดออกมาว่าเออท่านวัน พูดด้วยความอนุเคราะห์เลยนะเออกรณีที่ท่านเป็นคนอ้อยอิงไม่รู้การปล่อยให้พระเทระคอยท่านรู้ไหมมันเป็นอาบัติอย่างไรท่านทำไมไม่ท่านเป็นพระที่จะต้องขนขวายจะต้องนั่นไม่ใช่ปล่อยให้พะระเทระไปคอยตั้งนานแล้วท่านก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเนี่ยท่านต้องปรับลรงตัวเองว่าท่านบาวินัยก็เสียทางด้านทางด้านมารยาท สังคมั้งโลกก็ยังเสียเลยฉะนั้นทั้งท่านพระวินยัพนยพุทธเจ้าก็บอกไว้ด้วยท่านก็ต้องขวนขวายปฏิบัติให้เป็นไปตามวินยัยฝึกตามศิกขาบทท่านต้องรู้การอันควรท่านไม่ใช่ว่าเอาตอนเองเป็นประมาณนะท่านอยู่ในหมู่คณะจะรักษาหมู่คณะยังไงมันกลมกลืนและกลมเกลียวซึ่งกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเอกภาพเป็นเอกภา พ, เ น, เ, ภาพเนี่ยมันคุยได้ตามธรรมะเลยครับเป็นประการปฏิบัติธรรมเป็นคาถาสมาวิจาริ เ, เจตนาสมาวิจาร ที่เป็นกุศลไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีมมมมใช่ต้องเพราะว่าเราโดยมากม่ยึดหงุดห<ม> ง, งิดพราหงุดหงิดไปเสร็จขจัดว่าหนึ่งจะพูดคําจริงสองพูดคาที่เป็นประโยชน์สามพูดถูกกาละกาเนี่ยเหมาะและ้วสี่พูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยกรุศลนาหรือพูดด้วยกลุ่มกุศลแธรรมทั้งหลายเนี่ยคือเราก็ฝึกตัวเราเองแล้วก็พูด ในขณะที่พูดออกมาก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมจริงๆเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ยทำไมคือคือตรงนี้เวลาเรา ตรงนี้เวลาเร า, <c oughs> เ, ราเราจะอนุเคราะห์คนเนี่ยยกตัวอย่างบางทีเรามันมันจะมีเราตั้งการุณาการุณาได้แต่เมื่อตั้งการุณาแล้วคนคนนี้ก็ไม่เปลี่ยนมันมีก็มีแล้วถ้ามีทางด้านพระวินยัยก็ต้องปรับด้านวินยัยสมมตินะท่านทำผิดวินัยปุ๊บก็ต้องให้ท่านแสดงเอ อ, เ อ, อ ท่านท่านผิดพลาดในข้อนี้แล้วต่อไปอย่าผิดพลาดเนะอย่างนี้เป็นต้นท่านนั้นก็จะต้องมาแสดงใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> หรือถ้าเป็นเนนก็ลงทันตกรรมหมือหลักทันตกรรมคําว่าธันตกรรมก็คือขัดเกลาเขาเพื่อให้เขาเนี่ยเกิดความกระตือรือร้นลงธันตกรรมด้วยใจที่เป็นกรุณานะที่เราลงธันตกรรมไม่ใช่ลงธันตกรรมด้วยความสะใจ ไม่สะใจเกินก็ได้ดวงธนกรรมไม่ใช่กรุณาเขาว่าเราจะเอาเอาเราเรื่องเนี้ฝึกเขาให้เขาได้เข้มแข็งให้เขาได้ได้เข้มแข็งเหมือนพระเถระมีสมณนรูปหนึ่งใช่ไหมตอนนั้นที่ไปที่อชันตาก็เล่าเรื่องนี้พระเถระท่านก็เนเนเนี่ยที่อยู่ด้วยลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยเนี่ยแต่ที่ยังไม่ได้บอกว่าเนรหรือเปล่าเป็นเป็นลูกศิษย์ เป็นคนมีโมหะคนที่มีโมหะมากก็เป็นคนที่หลุดลุ่ยมากไอ้หลุดลุ่ยมากอาจารย์ก็ต้องตกแต่งตกแต่งก็คือว่าต้องสร้างระบบสร้างรูปแบบมาเพื่อขัดเกลาวโมหะนเนียนหรือว่าสัตว์ทวิหาริกเนีย่ยก็เลยบอกแล้วเนีนตรงนี้พอบอกมอขัดเกลามากขึ้นมากก็บอกจะสึกแล้วไม่อยู่แล้วอาจารย์ก็บอกไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอจงไปขนขวายเจาะถ้าเพื่อให้อาจารย์ได้ห้องปฏิบัติที่เหมาะสมให้ทําบูชาอาจารย์ก็แล้วกันแล้วก็นึกถึงคุณของพระเจ้าได้บูชาอาจารย์แล้วก็บูชาคุณของพระเจ้าด้วยเนก็เอาละทําเต็มที่เลยครัอาจารย์ก็บอกวิธีสกัดยังไงตั้งสติยังไงนั่นยังก็ทำโอ้โหกว่าจะเสร็จ สกัดทำมาเนะะี่ยจนได้ทำมาเหมาะสมใช้เวลาเกือบปีหรืเกือบก็มารายงา น, านการครับสําเร็จผลแล้วการก็ไปดูเออคุณถ้ำ น, นี้เหมาะเลยคุณคุณจงเอากรรมฐานนี้ไปแล้วทําตรงเนี้ยบอกกรรมฐานต่อเลยจนนั้นทําต่อเลยได้บรรลุในธรรมอะไรอย่านยงนี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือลงธนกรรมนั่นแหละก็คือขัดเกลา เป้าหมายคือจะขัดเกลให้เขา้าบรรุหรือบางทีก็เอาลงไปตักน้ําตักน้ําเห็นอาการมันหน้าบึง้งหน้าเรียกมาวิธีการตักแบบไหนวิธีเดินยังไงกําหนดยังไงไขควรยังไงเออมีวิธีการอย่างนี้เป็นต้นเขาไม่ใช่อย่างปัจจุบันนี่นะไปทำํำรุดไปเราปล่อยมันเลยไม่เคยบอกบอกวิธีกําหนดเลยมันก็ได้แต่ได้แต่กําลังได้ประโยชน์ก็คือแข็งแรงได้แทะร่างกายแต่ด้านจิตใจไม่ได้ จริงๆก็คือเขาให้ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วนก็คือดังร่างกายด้วยสองด้านสภาพจิตใจด้านด้านคุณธรรมต้องเกิดขึ้นนี้เป็นต้นเหมือนว่าวันวันวั น, วนช่วยไปซักผ้าหน่อยสิมันได้แต่ร่างกายเนี่ยได้เด็กผ้ามาจะมีประโยชน์อะไรในผ้านี้เดี๋ยวก็เปื้อนใหม่เราต้องซักทุกวันกันอยู่งั้นก็ตายกันไปก็ไม่ได้ประโยชน์เลยกุศลไม่เดินจริงๆก็คือไอ้ตัว น, นี้ยเขาทําไว้เพื่อเพื่อ ข, ขัดเราฉะนั้นคนก็ดีใจกันในยุค ก, ก่อนยังให้ครูบาอาจารย์ใช่นี้เป็นต้น พอยังมองเห็นไหมฉะนั้นตรงนี้ก็คือกรณีที่เจอสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องพลิกสถานการณ์เพื่อจะฝึกเขาให้ออกจากบาป อ, อสุรกรรมเพราะตอนนี้ก็ถูกกิเลสครอบงําอยู่กรุณาเขาเราจะแง่แกะอกุศลเขาออกได้ยังไงได้อุบายวิธีนชอบอยังไงอย่างนี้เป็นต้นหลักการคือตัวนี้ครับอ๋อมัน ม, ม, นมีมันมีหลักกระเกณฑ์หลักลกระเกณฑ์อยู่อ่ะ หลักเกณฑ์จริงๆก็คือในในในว่าธรรมวินัยจริงๆถ้าที่สุดจริงๆก็ตัดเลยครับ <c oughs> คำว่าตัดในที่นี้ก็คือไม่พูดด้วยไม่คุยด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยท่านอยากทำอะไรปล่อยนะบปชมเงินเบ็เสร็จปุ๊บก็ปล่อยเลยครับจนกว่าเขาท่านนั้นจะเห็นความผิดของตนเองแล้วก <c oughs> ็ใช้ล <c oughs> ักษณะแบบ ก็ก็ก็ดีแล้วอก็ปล่อยแไปเพราะจริงๆมันเอาไม่ไหวแล้วแต่กรณีพวกนี้เขาก็ตัดก็ก็คนคนนั้นโดนฆ่าทิ้งในพระธรรมวินัยจริงๆก็โดนถ้าโดนเขาก็คนนี้ก็จมอยู่ในสังสารวัฏคนสอนไม่ได้แล้วเราจะไปเราจะไปทุกข์ใจทําไมก็ปล่อยไปนี้ไม่อยากลงอภัยทุกขติวิธิบานรกปล่อยไปเห็นเป็นไรฮะ ไม่ใช่ถ้าอยากจะไปอย่างนั้นจะทําไงใช่ไหมล่ะก็ดีแล้วก็เมื่อก็เคยตกนรกมาตั้งนานแล้วก็จะกลับไปตกใหม่ก็มีเป็นอไรทีนี้จิตที่ทําให้อีอาบทใหญ่ทักสี่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนทั้งหลายเกิดขึ้นก็กลุ่มนี้แหละกุศลชาวนะอกุศลชาวนะกลุ่มพวกเนี้นะแล้วก็อุดหนุนทีนี้ประเด็นต่อมาที่ควรทําความเข้าใจตรงนี้ก็คือว่า ในเอียบทบพระดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็ย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนก็รู้ว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งก็นอนก็รู้ว่านอนหรือว่ากายของเธอดำลงอยู่ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดย่อมรู้ซึ่งกายนั้นโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นภิกษุพิจารณาเห็นหนึ่งหนึ่งซึ่งกายในรู ป, ปรกายภายในสันดานภายในบ้างเป็นต้น เห็นกายในกายภายนอกที่ได้อ่านมาเนี่ยตรงนี้สติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อยานนะเพียงเพื่อสติที่ตั้งมั่นเท่านั้นหมายความว่ากายเนี่ยยาบดยืนคือกายกายคือยาบดยืนกายคือยาบดยืนเดินนั่งหรือนอนเนี่ยกายมีอยู่เพื่ออะไรเพื่อยานนะและเพื่อสติที่ตั้งมั่น เห็นไหมถ้ามีถ้าหากว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อตัณหามันะทิฏฐิแปลว่ผิดแปลว่าคนไม่ได้ฉลาดในการเกี่ยวข้องกับกายกายกายมีทั้งหลายอย่างเห็นไหมกายคือลมหายใจเข้าและออกกายคือยืนเดินนั่งนอนกายคือยาบทย่อยกายคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังเป็นต้นตลอดถึงกายคือ ศพกระแสะชีวิตที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองจนถึงกายคือกระดูกกระดูกที่มันกองละเอียดก็เรียกว่ากายหมดเลยครับฉะนั้นกายทั้งสิบสี่กายเนี่ยกายมีอยู่เพื่อให้เกิดญาณ น, นะคือปัญญากายมีอยู่เพื่อให้สติตั้งมั่นถึงจะสมฤทธิวัตถุประสงค์ในการที่กายมีอยู่เพียงเพื่อพวกนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยแต่หมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ย กายมีอยู่เพื่อตัณหาเพื่อมานะเพื่อทิฏฐิฉะนั้นเมื่อเราเกี่ยวข้องกับกายภายใน <c oughs> เกี่ยวข้องกับกายภายนอกเนะี่ยกายมีอยู่เพื่ออะไรต้องเตือนสติตลอดกายมีอยู่เพื่อยานนะหรือยานปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงกายมืออยู่เพื่อจะเป็นอุปกรณ์ในการเป็นที่ตั้งมั่นของสติให้ได้สติปัะฐานจากการได้ได้เห็นกายดูกายพิจารณากายระลึกถึงกายอะไรก็ว่าไป สติปัฏฐานต้องแข็งแรงต้องมั่นคงต้องตั้งมั่นด้ยฉนั้นกายมีอยู่ไม่ใช่มีอยู่เพื่อคือขจัดตัณหามานะทิฏฐิเทเ ท, ทกมากายมีอยู่เนี่ยเธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยย่อมอยู่ก็คือย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรสักหน่อยหนึ่งในโลกก็หมายความว่าไม่ถือมั่นเลยแม้แต่ผมเราเป็นผม ผมเป็นเราเราอยู่ในผมผมอยู่ในเราไม่ได้ถือมั่นอะไรเลยแม้แต่นิดหนึ่งในกรรชกายนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราไปตันหาดิผมสวยผมไม่สวยชอบใจไม่ชอบใจใช่ไมถ้าทิฏฐิก็ผมของเราเราเป็นผมผมอยู่ในเราเราอยู่ในผมเนี่ยมันถือมั่นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ากายมีอยู่เพียงเพื่อญาณะเกิดขึ้นเพื่อสตทิที่ตั้งมั่นเท่านั้นเกิดขึ้นปุ๊บ ตัณหาทิฏฐิหรือมานะอิงอาศัยไหมไม่อิงอาศัยเนี่ยอย่างนี้ปลอดโปร่งวัตถุประสงค์เป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าเราจะแค่แก่ตัณหามานะทิฏฐิออกอยังไงก็นี่แหละยานปัญญาที่เข้าไปรู้ในเรื่องกายแล้วก็สติที่เข้าไปตั้งมัน่นทีนี้ถ้าถ้าสติไม่แข็งแรงไม่ตั้งมัน่นมันก็อย่างเีนะ่จิตมันก็สะจาย ส, สายไปทั่ว นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ที่ดูคําสอนอในคําสอนตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงจำแนกซึ่งกายานุปัสสนาด้วยอํานาจของหลอมภาาศาสตร์แต่ตอนนี้จําแนกเรื่องอียาบทต่อเนี่ยในมัชฌิมในกายดีการในอัตถกถาทั้งหลายนี่เป็นบาลีนะเขาบอกว่าียาบทปทาวเส น, นะด้วยอํานาจแห่งียาบทได้แก่การผัดเปลี่ยนคือการเคลื่อนไหวได้แก่กิริยา กิริยาในการผัดเปลี่ยนกิริยาในการเคลื่อนไหวเป็นความเพียรพยายามทางกายในการไปอยู่ในยาบทยืนบ้างยาบทเดินบ้างอยาบทนั่งบ้างนอนบ้างคลองคือทางความเป็นไปแห่งการเคลื่อนไหวทั้งหลายด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเอียบทเพราะอัจจว่าก็การกําหนดด้วยสลีระที่เป็นไปด้วยอํานาจแห่งมีการเดินสลีระด้วยอํานาจแห่งการยืนสลีระด้วยอํานาจแห่งการนั่งสรีละด้วยอำนาจแห่งการนอนนั่นแหละ ทีนี้สัตว์เมื่อเดินเมื่อยืนเมื่อนั่งเมื่อนอ น, อนย่อมกระทําซึ่งกิริยาที่ตนพึงกระทาด้วยกายสัตว์ย่อมกระทําด้วยอำนาจของเอียบททั้งหลายเหล่านั้นความว่าด้วยการจำแนกเอียบทบุญนาจรรังเนี่ยจำแนกเนี่ยเราตถาข้อจึงกล่าวว่าซึ่งกายานุปัสนาสิบฐานไม่นอกเหนือจากอาณาพานะทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าภิกษุเมื่อเดินคัดันโตเนี่ย ย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนย่อมรู้ว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ว่าเรานอนอยู่นี่บาลีฟังนี่นะคัตชันโตวาคัตฉามีติปชานาเตติโตวาติโตมินีติปชานาติว่าไปนี่เป็นพุทธพุทธพุทธพอเมื่อภิกษุเมื่อเดินคัตชันโตเนี่ยย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่ ย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่ทีนี้ถ้าเพียงแค่นี้เราไม่เข้าใจนะคำขยายความในอัจถริาบอกว่าสัตว์ทั้งหลายสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเป็นต้นเมื่อเดินก็ย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่ก็จริงแต่การรู้ไม่ได้หมายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่หมายอย่างนั้นไม่ได้หมายว่าพอจริงจริงสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเวลามันเดินยืนนั่งนอนมันก็รู้ อันนี้ยกยกสุนัขมาเปรียบเทียบเลยนะทีนี้ในการรู้ลักษณะอย่างนั้นน่ยการรู้ลักษณะงั้นเน่ยเป็นการรู้ที่เพียงการเดนเินเพราะว่าการรู้มีสภาพอย่างนี้ย่อมไม่ละเป็นณประชานาติใช่ครับอนัปปัชานาติไม่ใช่ประชานาติคือไม่สามารถจะถ่ายถอนสัตรูปรัชธิ หรือย่อมไม่ถอนออกซึ่งสัตตะสัญญาหรืออัตตสัญญาความเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้เดินบงั้นเถอไม่สามารถถ่ายถอนความเป็นสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินชายเดินความเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้เดินได้เลยย่อมไม่เป็นกรรมฐานไม่เรียกว่าสติปทานภาวนาถ้าเป็นสติปฐานเดิน ไม่เกินเจ็ดปีก็ได้เป็นพระอนาคาคหรือพาาระอรหันต์ใช่ไหมล่ะไอเดินอย่างนั้นไม่เป็นแน่นอนก็เดินมาทั้งสามสิบสี่สิบห้าสิบปีหกสิบปีเจ็บปีไม่ได้บรรลุธรรมอันนี้เดินเหมือนสุนัขบ้านเหมือนสุนัขยิ่งเจี่ <c oughs> <c oughs> ย้อนกลับมาอย่างที่เดิมเลโอ้มันเดินโดยไม่ไม่ทายถอนทีนี้ดีกามขยายบอกว่าเอคัดฉันโตวาเป็นต้นเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ คัจฉันโต ว, วาเมื่อเดินย่อมรู้ว่าเราเดินอยู่เป็นพุทธวจนะโดยสาธารณะแก่ความรู้เพียงการเดินเป็นต้นแก่ความรู้ที่พิเศษเป็นรู ป, ปกายเป็นต้นในการเดินเนียความรู้เพียงแก่การเดินไม่ใช่พุทธประสงค์นะในเอียบทวพานิส่วนความรู้ที่พิเศษไปว่ารู ป, ปกายเดินเป็นต้นเนี่ยเป็นพุทธประสงค์ว่าการเดินเนี่ยเป็นอียบที่เป็นรู ป, ปกายที่เดิน เป็นรูปรขันธ์ที่เดินไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นผู้เดินนี่พุทธประสงค์คือตรงนี้ว่ากันต้องการชี้พุทธประสงค์ให้ดูพุทธประสงค์ที่ให้ภิกษุภิกษุณีวิโสกบาิกาเนี่ยให้รู้ชัดในการเดินที่เป็นประชานาติเนี่ยโดยพุทธประสงค์เนี่ยไม่ใช่ไปรู้ว่าเดินก็รู้ว่าแบบนี้เราเดินอยู่เพียงแค่นั้นไม่ใช่รู้เป็นสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินและชายเดินทีนี้ด้วยพุทธประสงค์ท่านก็เลยจำแนกจำแนกบอกว่า สัตตูปรัตทิงเนี่ยเห็นว่าสัตว์มีอยู่ก็ได้แก่การยึดถือว่าเป็นสัตว์อย่างนี้บอกว่าย่อมไม่สลัเป็นหน้าประชาชนนะว่าโดยสภาวะก็คือว่าเห็นว่าเราเดินนี่อาการเดินของเราเนี่ยเป็นเห็นเราเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นผู้เดินเนี่ยไม่ได้ถ่ายถอนไม่สามารถละความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นได้ ไม่สามารถจะถ่ายถอนตันหามานะทิฐิหรือกิเลสออกจากการเดินเป็นต้นได้เขาเรียกว่าอัตตาผู้กระทำกรรมผู้สวยวิบากกรรมมีอยู่เพราะไม่มีกุศลธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นไม่มีปัญญาญาทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อยังไม่ละความเป็นสัตว์ความเป็นอัตตาตัวตนเป็นต้นเหล่านี้เขาเรียกว่าสัตตูปรัตดิความเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชาย อัตตสัญญาจำหมายว่าเป็นอัตตาตัวตนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆยังไม่เป็นกรรมฐานทีนี้ถามว่าแล้วจะเป็นกรรมฐานเป็นยังไงจะเป็นกรรมฐานเป็นยังไงท่านเลยตั้งประเด็นไว้บอกว่าการที่จะถ่ายถอนเนี่ยหนึ่งภิกษุนี้ย่อมละสัตตปรัรถิละโดยความเป็นสัย่อมถ่ายถอนซึ่งอัตตสัญญา จึงจะเป็นการเห็นชอบจึงจะเรียกว่าเป็นการทำกรรมาฐานที่ถูกต้องเห็นยังไงเห็นว่าเป็นผู้กระทำกรรมและผู้เสวยกรรมไม่มีธรรมะล้วนๆย่อมเป็นไปความเห็นดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าสัมมาทัศนะมันไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใช่ไหมผู้ทากรรมก็ไม่มีผู้เสวยกรรมก็ไม่มี สัตว์เป็นผู้ทํากรรมไม่มีสัตว์เป็นผู้เสวยกรรมมีอันนี้พูดในเรื่องของตัวสภาวธรรมล้วนๆนะอย่าไปเห็นผิดว่าโอ้สบายแล้วถ้าไม่มีสัตว์บุคคลเป็นผู้ทากรรมสัตว์บุคคลเป็นผู้รับผลของกรรมมีแต่ธรรมะล้วนๆเป็นไปอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเข้าใจอย่างนี้คือรูปธรรมเป็นผู้เดินใช่ไหมที่ประเด็นท่านเลยตั้งประเด็นอย่างนี้ไว้ว่า ไอ้ที่จะเป็นกรรมฐานหรือเป็นสติปัฏฐานภาวนาจะทํำยังไงถึงจะเป็นพระตั้งว่าโกคัจติใครเดินใครเดินอยู่โกคัจติการศาสกมนงังการเดินของใครกิงกรลนาคัจติเดินอยู่เพราะเหตุอะไร ใช่โกคชติใครเดินที่ต้องไปตอบทีเนี้ไปตอบต้องตอบทีนี้ในการตอบประเด็นนึ่งภิกษุย่อมลาซึ่งศัตรูปรัตถิเป็นต้นเนี่ยถึงจะถูกต้องใช่ไหมประเด็นก็คือว่าอา้าวตอบโกคชติใครเดินจะตอบไงนีใครเดิน เวลาเดินเนี่ยแล้วถามตัวเองที่ว่าใครเดินใครเดินเวลาตอบตอบอยังไงไม่ใช่สัตว์บุคคลหรืออัตตาตัวตนสักหน่อยหนึ่งเดินอยู่ไม่มีไม่มีสัตว์ไม่มีอัตอตาไม่มีบุคคลไม่มีหญิงชายใดๆเดินอยู่อันนี้ต้องต้องทำความเข้าใจก่อว่าหนึ่งใครเดินเนี่ยนก็ต้องบอกไม่มีไม่มีสัตว์บุคคล ไม่มีสัตว์หรือไม่มีบุคคลสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะที่ว่าเดินอยู่เดินอยู่ไม่มีทีนี้โกคัจติตใครเดินใครเดินอยู่ทีนี้ถ้าพึงถึงบอกว่าในกิริยาในการเดินไม่ใช่สัตว์หรือบุคคลหรือเดินอยู่เนี่ยเพราะเป็นเพียงอะไร เพราะเป็นเพียงรูปธปรรมเท่านั้นที่สาเร็จกิริยาการเดินคือรูปธปรรมเท่านั้นรูปธปรรมคือดินน้ำไฟลมที่ประกอบไปได้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไล่ไปตามลำดับทั้งหมดทุกจุดในอนุของร่างกายนะั้นคือดินน้ำไฟลมทั้งนั้นไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆเลยเป็นผู้เดินฉะนั้นคาถามนี้เป็นคาถามที่ ใช่ไม่ได้เป็นคำถามที่ไม่ถูกตั้งคำถามผิดมันไม่มีสัตว์บุคคลเนี่ยคุณตั้งมาได้ไงว่าใครเดินเนี่ยใช่ไหมใครเดินอยู่เนี่ยตั้งถูกหรือตั้งผิ ด, ผดเพราะไม่มีสัตว์ไ ม, มไม่มีบุคคลสักหน่อยหนึ่งเลยที่เดินเนี่ยลองไปไล่ดูจริงๆทีงมีไหมไม่มีเลย มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเบ็ดเสร็จเนี่ยสัตว์บุคคลที่ไหนที่ถามคุณถามว่าใครเดินใครเดินอยู่ใครเดินอยู่คำตอบก็คือไม่มีไม่มีเป็นเพียงรูปธรรมเท่านั้นที่สาเร็จกิริยาการเดินเพราะไม่มีอะไรที่นอกไปจากรูปธรรมทีนี้กัดศคมนังการเดินของใคร คำตอบคือไม่ไม่มีการเดินของสัตว์ไม่มีการเดินของบุคคลสักหน่อยหนึ่งก็ไม่มีมมการศึกษาคำนวการเดินของใครเป็นคำถามหรือมีอัดปฏิเสธหรือการยึดถืออัตราที่แตกไปจากความไม่มีอัตรามันเป็นยึดถืออัตราใช่ไหมแต่ยุบปฏิเสธอีก การเดินของใครท่านอาจารย์กล่าวโดวยอัดนี่แหละให้สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยปริยายอย่างอื่นเลยตรงนี้ก็คือว่าอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเดินของใครไม่ใช่เป็นการเดินของสัตว์ไม่ใช่การเดินของหญิงไม่ใช่การเดินของชายไม่ใช่การเดินของอัตตาตัวตนใดๆเลยเพราะมันไม่มีทีนี้ถามต่อกิงกัรณาคชติเดินอยู่หรือเดินได้เพราะเหตุอะไร เอออย่างนี้ถามนี้ค่อยค่อยค่อยค่อ ย, อยตรงประเด็นแล้วเดินได้เพราะเหตุอะไรนี่ถามไปหาเหตุปัจจัยแล้วเดินอยู่เพราะการกระทาของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธ า, ยาเพราะจิตนะการกระทาของจิตเกิดขึ้นจากการประมวลการกระบวนการของความคิดเมื่อการกระบวนการความคิดหรือกระบวนการจิตเกิดขึ้นปุ๊บก็เลยจิตคิด ขึ้นมาพบก็เลยมีการแผ่ขยายไปของวาโยธาตลการแผ่ขยายไปของวาโยธาตที่เกิดจากกริจิตเน้นกิงกรนาเนี่ยที่ว่าเดินอยู่เพราะอะไรเป็นคําถามถึงเหตุที่ไม่มีวิปริตของกิริยาการเดินเนี่ยอันมีกัตตาที่ปริเสธไปแล้วทีนี้การเดินในการเดินที่เป็นปฏิบัติประเหต์การเดินเป็นต้นเหล่านี้ยการเดินเนี่ยมันเป็นความพิเศษของอาการที่เป็นไปแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ย อันมีเหตุอุปการะที่เหมาะสมอันพ้นไปจากเขาเรียกว่ามิจฉาเหตุมีอย่างนี้ว่าอัตตาย่อมประกอบไว้กับจิตจิตย่อมประกอบไว้กับอินทรีย์ทั้งหลายอินทรีย์ทั้งหลายย่อมประกอบไว้กับอัตตาทั้งหลายเนี้ยไม่ใช่เป็นไ ป, นปนลักษณะแบบนั้นประเด็นคือคำว่าเดินได้เดินได้เพราะเหตุอะไรเนี่ยตรงนี้ท่านหมายถึงว่า การกระทำของจิตนั้นด้วยและการแผ่ขยายคือการผักดันของวายโยธาด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าการกระทำของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธาทีนี้ไอการที่การแผ่ขยายไปของวายโยธาเนี่ยเราต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นการแผ่ขยายไปด้วยการเกิดดับสืบต่อ มันไม่ใช่เป็นแท่งทึบวิ่งพูดไปอย่างนี้นะเวลากระบวนการจิตที่คิดจะเดินเกิดขึ้นเมื่อจิตที่คิดจะเดินเกิดขึ้นทุกๆชวนะเกิดขึ้นทุกๆขณาจิตเกิดขึ้นทุกๆอุปาทังขณะก็จะผักให้จิตชจตชวายโยธาเกิดจิตตะชวายโยธาเกิดจิตตชาวาโยธาเกิดเป็นระบบการเกิดดับสืบต่อเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วทึไปเลย มันเป็นไปลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันกระบวนการของนามธรรมาเกิดขึ้นรูปธรรมก็เป็นผลรองรับเกิดจากกิริยาของจิตนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ตัวย่อมยังวาโยธาให้ตั้งขึ้นเนี่ยไอ้ความหรือย่อมยังวิญญตัตให้เกิดความพยายามเป็นไปของกายทั้งสิ้นโดยถ้าถามบอกว่าพอ พอจิตตะชาวายโยธาเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วมีการที่ผักให้มีการก้าวไปก็คือกายวิญญัตินั่นเองไอ้กายวิญยัตการเคลื่อนไหวกายเนี่ยไอ้กายวิญญัตนี่เป็นรูปธรรมใช่ไมเป็นรูปธรรมที่เกิดจากจิตที่เกิดจากจิตทีนี้กายวิญยัตเนี่ยที่จะมีการก้าวไปเป็นต้นได้การเคลื่อนไหวของกายได้เพราะการแผ่ขยายไปของวายโยธาอันเกิดจากกิริยาของจิต เกิดจากกิริยาของจิตทีนี้ในกระบวนการจิตที่คิดจะเดินเป็นต้นเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นเป็นไปอยู่เนี่ยสภาพของการคิดที่จะเดินจิตแต่ชาวยโยธาเกิดเป็นไปแล้วก็ยังให้กายวินยัตผกให้รูปประขันรูปประกายทั้งหลายเนี่ยมีการกระรัชกายส่วนบน โน้มไปข้างหน้ารัชกายส่วนล่างที่เรียกว่าขาหรือเท้ามีการก้าวไปก้าวไปเป็นต้นเหล่านี้จึงเรียกว่าเดินอยู่เรียกว่าสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินก็ว่าไปอันนี้เป็นสมมติบัญญัติแต่คำว่าสัตว์เดินอัตราตัวตนไรๆที่จะไปเดินหามีไหมเป็นเพียงแค่รูปธรรมที่เป็นที่ถูกกายวิญญตัตวจีวิ ญ, ญัตผักแล้วก็มีจิตเชวโยธา แล้วก็มีจิตที่คิดจะเดินเป็นปัจจัยเกิอหนุนเกิดดับสืบต่อเป็นไปตามลําดับเท่านั้นเขาให้รู้อย่างนี้เขาให้เข้าใจอย่างนี้ระดับสุต <Anything> ตะมียาปัญญาเนี่ยให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจให้ท่องแท้ในการเดินอย่างนี้เป็นต้นก่อนแล้วจึงประมวลความเข้าใจ น, นั้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ท่องแท้แล้วแล้วเล่าเล่าจนเกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจไปเสร็จปุ๊บเนี่ย การเดินทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันจึงจะไม่หลงมันฉลาดแล้วมันเข้าใจแล้วมันไม่ใช่ว่าไปกําหนดว่าอยากเดินหนอเขาครเนี่ยเข้าใจไมันไม่พอความรู้มันไม่พอพ่อพอเห็นไหมมันไม่มันไม่มันไม่ใช่แค่นั้น อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าเป็นเป็นการที่ทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของการเดินให้เกิดขึ้นเ น, นี่ยทีนี้ภาวะการเดินและการกระทำของจิตและการแผ่ไปของวายโยธาเนี่ยของเพอผู้รู้อยู่อย่างนี้ผู้มีการเห็นอยู่อย่างนี้อันปุถุชน ท, ทั้งหลายไม่รู้ไม่เห็นถึงความเป็นจริงในโลกเนี้ยจึงเรียกว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอนใช่ ฉะนั้นการที่เธอทั้งหลายรู้และเข้าใจว่าเวลาจิตย่อมเกิดขึ้นว่าเราจะเดินนะจิตที่เกิดขึ้นว่าเราจะเดินเนี่ยจิตเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บเวลาเราคิดจะเดินปุ๊บหรือเราจะยืนปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็เป็น เป็นปัจจัยทำให้การยืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันผักดันกันเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นบอกว่าเมื่อเกิดความคิดว่าจะเดินเป็นต้นเป็นไปอยู่ว่าเราจะเดินจิตนั้นก็ยังวายโยท่าให้เกิดขึ้นวายโยย่อมยังวิน ญ, ญาติให้เกิดความพยายามเป็นไปของกายทั้งสิ้น โดยข้างหน้าเนี่ยนะก็มีการโน้มไปเพราะการกระทาของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธาเรียกว่าการเดินแม้การก้าวไปข้างหน้าแม้ในการยืนเป็นต้นก็เป็นไปในในนี้เหมือนกันตรงนี้แหละที่บอกว่าย่อมยังวายโยธาให้เกิดก็คืออะไรย่อมยังรูปกระลาบรูปกระลาบเนี่ย เวลาจิตที่เป็นไปด้วยอำนาจถึงความประสงค์ที่จะเดินเป็นป้อมเป็นต้นนะเช่นเรามีความประสงค์ว่าเราจะเดินจะเดินจะเดินเนี่ยเกิดขึ้นพวกวาโยธาคือธาตุลมที่เกิดจางจิตยังรูปกราบที่ยิ่งด้วยวาโยธาตให้เกิดขึ้นไอความยิ่งด้วยวาโยธาในนี้ยังมีได้ด้วยความสามารถไม่ใช่มีได้ด้วยความด้วยปริมาณนะยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาจะเดินเนี่ยโอ้โหต้องให้วาโยธาตมีปริมาณอย่างมากเลยไม่ใช่ แต่วายโยธาที่พัดผันไปในการาชกายเนี่ยมันมีความสามารถคําว่ายิ่งเนี่ยมันมีความสามารถยังให้รูปก ร, ราบทั้งหลายเคลื่อนที่ยังว่าไเด้อเคลื่อนย้ายโอในจักขคูทัสกราบโสตตาทัสกราบคานาะทัสกราบชิวหาทัสกราบกายยะทัศกาบใช่ไหมกราบที่มันอยู่ที่ทั่วไปในการาชกายทั้งหลายเหล่าเนี้ยมันมีวายโยธาเป็นตัวผัก ให้การาชกายที่โครงร่างทั้งหลายที่เป็นแกนกลางนี่มีกระดูกมีโครงร่างแล้วก็มีพวกผมขนเล็บฟันหนังเนี้ยก็คือดินน้ำไฟลมกะลาบแต่ละกลาบเต็มไปหมดยุ่มยิ้ไปหมดมันรวมกลุ่มกันอยู่ยังไม่กระจายกระจายเกิดดับแตกดับสืบต่อแต่เวลามันผักเนี่ยในตัววาโยธาเนี่ยไม่ใช่ต้องอาศัยวาโยธาตหรือลมอย่างมากยิ่งได้มากปริมาณมากแต่ยิ่งด้วยความสามารถยิ่งด้วยความสามารถ ที่ผักให้การัชกายนะมีการกายท่านบนโน้มไปข้างหน้ากายท่านล่างที่เราขาขาก็มีการก้าวไปเป็นต้นเหล่านี้จึงเรียกว่าสัตว์เดินยิงเดินชายเดินเป็นต้นเหล่าเนี้วาโยธาที่กําลังเป็นไปด้วยความพิเศษของอาการที่เป็นปัจจัยแก่การมั่นคงและการทรงและการเคลื่อนไหวทั้งหลายของรู ป, ปกายที่เกิดพร้อมกันอันตั้งขึ้นเพราะจิตที่คิดจะเดินน่ยท่านจึงเรียกว่าวายโยธาจังวิญยัตให้เกิด เรียกวายโยธาตที่ยังวิญญาตให้เกิดที่เกิดพร้อมกับความประสงค์เป็นวิญญาตความประสงค์ของจิตนี่เป็นอย่างนั้นมีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจนั่นแหละในการที่จะเดินเป็นต้นเห็นไหมกลุ่มนา ม, มาทําเนี่ยมันเกิดขึ้นมากกระบวนการความคิดในการที่จะเดินทุกครั้งวาโยธาตก็ตั้งขึ้นแล้วก็พัดผันไปตามใช้คําว่าพัดผันแต่จริงเกิดดับสืบต่อแล้วก็ไปผลักให้การัชกาย ทั้งหมดเหล่า น, นี้มีการเคลื่อนไปมีการเคลื่อนไปจึงเรียกว่าสัตว์เดินหญิงเดินชายเดินหรือเราเดินแท้ที่จริงคำว่าสัตว์อัตตาตัวตนบุคคลใดๆไม่มีมีมแต่เพียงแค่จิตที่คิดจะเดินจิตทัชะวายโยธาทำวิญญาณทตั้งขึ้นการเดินก็สมฤทธิผล ก, ก็ชายก็ตีพูดตัวนั้นก็พูดเหมือนไอ้หุ่น ไอ้ตัวหุ่นกระสายชักกับคนชักไอ้ตัวไอ้ตัวตัวคนชักคือจิตสายชักก็คือจิตทัชวโาโยธาที่ไปทําให้วิญญาตมันตั้งขึ้นไอ้ส่วนเห็นไหมไอ้สายไอ้สายชักคือวโาโยธาตคนชักคือจิตไอ้ตัวหุ่นที่มันเดินไปเนี่ยอาการที่มันเคลื่อนไหวก็เรียกว่ากายวิญญาตเขาเรียกายกายกวิญญาต พ่อมีสายชักก็คือตัวโยธาเป็นตัวชักให้กายวิญญาต์มันตั้งขึ้นเื่อนให้มีอาการเคลื่อนเพราะอาการเคลื่อนเรียกว่ากายวิญญตัต์อาการพูดเรียกว่าจีวิญญัต์ว่ากั้นเถอะมันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะมันชักอยู่ ม, มีคนชักอยู่ใช่ไหมไอหุ่นกระบอกนี่แหละไอตัวหุ่นนี่แหละเออมันเห็นเริ่มเห็นนี่ยังแต่เนี้ยโอ้มันเดินได้ด้วยอย่างนี้เดินได้เพราะแบบนี้ มันยืนได้เพราะแบบนี้มันนั่งได้เพราะอย่างนี้มันนอนได้เพราะอย่างนี้เป็นต้นโอ้เรื่องใหญ่นะเนี่ยเวลาจะไปเดินโยงกรมในะเรื่องใหญ่แล้วงานนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนรู้แล้วก็ศึกษาจนเกิดความเข้าใจใช่ไหมพุทธศาสนาเป็นศาสนาเห็นไหมกายมีอยู่ เพื่อให้เกิดยานนะและเพื่อให้สติที่ตั้งมั่นและมั่นคงเท่านั้นเกิดขึ้นนะกายมีอยู่เพื่อยานนะกายมีอยู่เพื่อสติที่มั่นคงไม่ใช่ถ้าทําลักษณะนี้ตัณหาและทิฏฐิจะไม่ได้อิงอาศัยนะจะไม่อิงอาศัยกายนี้และกระแสชีวิตนี้ถ้าทําอย่างนี้จะมันจะถ่ายถอนมนสิตการใส่ใจรอบรู้อย่างนี้ถึงจะถ่ายถอน เข้าใจอยังว่าไม่รู้อย่าเพิ่งขยันอย่าเพิ่งขยันเนี้ยมันจะจะได้เข้าใจโอ้แต่ถามว่าเวลาเราเดินแล้วลองแยกองค์ประกอบไม่ได้มันได้สมาธิไหมได้ฝึกได้นะครับมันได้ในที่เราไปเดินนะครับฝึกได้ได้แต่ว่าต้องรู้ต้องรู้ต้องทําความเข้าใจในในเอียบุบรปภ้าให้ชัดต่อไปว่าไปเดินมันจะเดินอย่างรู้เดินอย่างเข้าใจ คําว่าประชานาติเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยการยืนเป็นต้นกันในนี้เหมือนการวางนั้นเถอะลักษณะอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม้การยืนจิตคือความคิดย่อมเกิดขึ้นเราจะยืนจิตนั้นก็ยังวายโยธาให้เกิดย่อมยังวินยัตกายวินยัตให้เกิดขึ้นภาวะที่กายทั้งสิ้นตั้งแต่ปลายสุด ยืดขึ้นเพราะการกระทาของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธาเรียกว่ายืนเห็นไหมปกติถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยเพราะเราคิดจะยืนเกิดขึ้นมาปุ๊บพอคิดคิ ด, ค, ดคิดเป็นต้นไปตามลำดับมีเจตยจำนนมมีความจงใจปุ๊บเนี่ยวายโยธาแผ่ขยายไปก็ผักการราชกายที่ ที่ที่ย่ออยู่ให้ยืดขึ้นให้ยืดขึ้นดังนั้นอาการที่ยืดขึ้นทำให้วิญญัตทั้งหลายมีกายยวิญญัตเนี่ยยืดผักทำให้กีย์ยืดขึ้นเนี่ยเพราะเหมือนสายชักนะั่นเองนั่งอยู่เนี่ยสายชักนั่งอยู่พอเราเราชักสายชักปุ๊บขึ้นมาใช่หคิดปุบ๊บปล่อยสายชักมันยืดยืดกระกากไสให้ให้ให้ยืนอันนี้เรียกว่ายืน ไม่ได้มีสัตว์บุคคลลายๆเป็นผู้ยืนเลยนะแท้ที่จริงก็เป็นการว่าหนึ่งมีความประสงค์ของจิตมีวายโยธาตแผ่พออาการที่กายย่อแล้วยืดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิญญัตนั่นเองเป็นกายยวิญญัตนั่นเองเมื่อยืดขึ้นเนี่ยคือกายยวิญญัตทำงานเพราะอาศัยวายโยธาผักแผ่ไปก็เลยยืดขึ้นมาก็เรียกว่าเรายืนสัตว์ยืน ยญิงยืนชายยืนเป็นต้นนี่เป็นไปอย่างนี้เมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะนั่งเราจะนั่งจิตนั้นก็ยังวายโยธาให้เกิดวาโยธาก็ยังวิญญาณให้เกิดการย่อลงแห่งกายท่อนล่างภาวะที่กายท่อนบนยืดขึ้นตั้งตรงเพราะการกระทำของจิตและการแผ่ขยายไปของวาโยธาจึงเรียกว่าการนั่งจึงเรียกว่าการนั่ง เวลาจิตย่อมเกิดขึ้นว่าเราจะนอนจิตนั้นก็ยังวายโยธาให้เกิดวายโยธาก็ยังวิญญาตให้เกิดการเหยียดออกไปตามทางขวางของสรีละทั้งสิ้นเพราะการกระทาของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธาเรียกว่าการนอนเนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบนี้นี่การแผ่ขยายการยืดการแผ่ขยายการย่อ การเป็นไปทั้งหลายเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการที่ว่าไปพิจารณาเห็นแม้กระบวนการของจิตที่คิดจะเดินจิตที่คจะนั่งจิตที่คิดจะนอนและไปทำความเข้าใจในเรื่องของวายโยธาที่พัดผันไปตามอวัยวะหรือสรีระทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เฉะนั้นการมีการเดินเป็นต้นเพราะการกระทาของจิตและการแผ่ขยายไปของวายโยธาของเธอผู้รู้อยู่อย่างนี้ รู้โดยปัญญาเห็นโดยปัญญาอย่างนี้อันปุโุชนทั้งหลายผู้ไม่รู้ถึงความเป็นจริงในโลกย่อมเรียกว่าสัตว์เดินเรียกว่าสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอนเพราะความไม่รู้ของปุโุชนผู้มืดบอดเป็นอย่างนี้ถามว่าก็สัตว์สักหน่อยหนึ่งเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่มีหรือไม่คาตอบบอกว่าไม่มีไม่มีแต่ว่าโดยสภาวะสัตว์หน่อยหนึ่งเดินอยู่หรือยืนอยู่หามีไหม อุปมาเหมือนที่เรียกว่าเกวียนไปเกวียนหยุดเนี่ยไอก้กวียนไปแล้วเกวียนหยุดสักหน่อยหนึ่งก็หามีไม่แต่เมื่อนายสารถีผู้ฉลาดใช้โคสี่ตัวขับไปย่อมมีเพียงวัวหาโนวเกวียนไปเกวียนหยุดอยู่เชนั้นกายอุปมาเหมือนเกวียนเพราะอธิวะไม่รู้ไม่มีรู้เรื่องไม่มีความรู้ลมที่เกิดจากจิตอุปมาเหมือนโคทั้งหลาย จิตอุปมาเหมือนนายสารถีเมื่อจิตเกิดขึ้นว่าเราจะเดินจะยืนว่ายโยธาต์ก็ยังวินยัตให้เกิดขึ้นกิริยาทั้งหลายมีการเดินการนั่งการนอนเป็นต้นย่อมเป็นไปเพราะการกระทําของจิตและการแผ่ขยายไปข้างวาโยธาเพราะฉะนั้นจึงมีเพียงวัหารว่าสัตว์เดินสัตว์ยืนสัตว์นั่งสัตว์นอนเรายืนเราเดินเรานั่งนอนเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในกรณี้คาว่าประชานาติเนี่ย ประชานาติก็คือย่อมรู้รู้ชัดย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงด้วยอาการอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าเรือย่อมแล่นไปเพราะกำลังของลมลูกธนูย่อมแล่นไปเพราะกำลังของสายชันใดรูปกายย่อมเดินไปเพราะถูกลมพัดดันไปชั้นนั้นแม้กายนี้ประกอบไปด้วย กิรยาในการเดินเป็นต้นการยืนการนั่งด้วยอำนาจของสายชักคือจิตเหมือนดังหุ่นย่อมเดินย่อมยืนย่อมนั่งด้วยอำนาจของการดยด้วยสายชักมีสายชักอยู่ใช่ไหมทีนี้มันมีคนชักนี่แต่คนชักเลยจิตไอ้สายชักก็คือกวายโยธาตมันก็เลยมีการยืนการเดินการนั่งการนอนแล้วแต่เราจะชักให้เป็นยังไงเข้าใจยังพอจะมองเห็นไหม นั้นจะบอกว่าสัตว์หรือใครกันพึงยืนพึงเดินพึงนั่งพึงนอนไม่มีนะไม่มีเนี่ยเป็นการเป็นการทำความเข้าใจในที่นี้พอจะชัดเจนนดอย่างเนียนทีนี้ประการต่อไปมันยังไม่จบนะเนี่ยโอ้วนี่จะยาวเลยเว้ยะยาวเลยมีคำว่าวยตัดออกเลยนะี่ยนี่เป็นคำวุฒ ไม่พูดมันเรียกคำติดปากรุนเีศพบศบติดปากทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่ากายของเธอดารงอยู่ด้วยอาการอย่างใดย่อมรู้ซึ่งกายนั้นโดยอาการอย่างนั้นนี่เป็นพุทธวจนะที่ทรงข้อียาบททั้งหมดเนาะเมื่อรูปรกายของเธอดารงอยู่โดยอาการใดๆย่อมรู้ซึ่งกายนั้นโดยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย ย่อมรู้ซึ่งรู ป, ปรกายที่ดำรงอยู่โดยการเดินว่ารู ป, ปรกายเดินย่อมรู้ว่ารู ป, ปรกายที่ดำรงอยู่โดยการยืนนั่งนอนว่ารู ป, ปรกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่สัตว์บุคคลเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละนี้ท่านประสงค์ไว้โดยการแบบนี้เนี่ยทีนี้โอ้โหคงจะไม่จบเหลือเยอะ ถ้าจะไปต่อในลักษณะที่จะคงจะไม่จบมีใครอยากถามอะไรทังนี้นิดหน่อยไหมเพื่อเพื่อเป็นอัาสิ่งที่อาจารย์พูดวาเนี่ยทีนี้หมายถึงถ้าเราเดินจงกองเนี่ยแล้วเราจะคิดอย่างไรถึงจะจะเป็นเทนนได้อ๋อ ก็คือเบื้องต้นในคิดอย่างนี้ครับว่าอย่างนี้อันนี้นี่เป็นพุ ท, พทธพจน์ถามว่าทีนี้คืออย่างนี้ก่อนเราเราไม่ได้ถูกเอาคําสอนในหมวดนี้ทั้งบาลีอัตถะถาและดีกาทั้งหลายม า, มาขยายความแล้วมาพูดกันบ่อยๆเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้าสอนอย่างไรใช่ไหย แล้วโดยส่วนใหญ่ที่เราบอกสมัยก่อนผมก็ถูกสอนว่าเวลาเดินก็ให้กําหนดกําหนดทําความรู้สึกในการเดินเดินไปทําความรู้สึกในการเดินเดินแล้วก็ถูกสอนกันอย่างนี้บถามว่าคำรู้สึกก็ดีการกําหนดในการก้าวไปก้าวไปก้าวขยับก้าวไปคอยกับเนี่ยถามว่าจริงๆมันได้ไหมมันได้เป็นพื้นฐานก็คือทําให้ฝึกสติได้ แล้วก็ให้ทําให้มันผ่อนคลายได้แล้วก็ทําให้การระบบร่างกายระบบการย่อยระบบหลากๆมันดีอันนี้ได้หมดเลยครับเป็นประโยชน์นะครับส่วนนามธรรมที่มันเป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์ได้จากการผ่อนคลายได้ปึกสติได้ไ ด, ไ ด, ได้มันได้ได้ระดับสติมันได้ระดับความตั้งมั่นข่งจิตระดับแต่ระดับยานะเนี่ยยานะหรือปัญญาเนี่ยไม่ถึง ใช่แต่พระพุทธเจ้าบอกว่ากายที่ตั้งอยู่ในยาบทยืนกายที่ตั้งอยู่ในยาบทเดินกายที่ตั้งอยู่ในเบย์นั่งหรือนอนกายมีอยู่เพียงเพื่อให้เกิดญาณนะคือปัญญาเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้คือต้องให้ได้เป็นอุปกรณ์ให้ปัญญาเข้าไปทำหน้าที่ให้ไปรู้ให้ไปทำรู้เนี่ยแล้วกายมีอยู่เพียงเพื่อสติที่มั่นคงนะทีนี้สติที่มั่นคงกับปัญญาที่เข้าไปวิจัยแยกแยะเห็นความจริงเนี่ย มันเลยไม่ถึงพุทธประสงค์พุทธวจนะหรือพุทธประสงค์ที่แท้จริงมันเลยได้ระดับหนึ่งอย่าบอกว่าไม่ได้นะครับได้นะครับมันเลยได้ระดับสติได้ระดับสมาธิแต่ไม่ได้ระดับญานะซึ่งเป็นไปตามว่าญาณมัตตายะสติมัตตายะเนี่ยปฏิปฏิสติมัตตายะอันนี้เป็นพุทธพุทธพจน์เนะ กายมีอยู่นี่ไหมแต่ดูดูตรงนี้จะเห็นดูใ น, นดูในยาบทบับเนี่ยไปที่ไหนก็จะเห็นเห็นตรงนี้แหละครับเนี่ยเบอกว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อญาณนะก็เพียงเพื่ออาศัยที่สติตั้งมั่นเท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัญหาและทิฏฐิไม่อาศัยแล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกเนี่ยไม่ได้ตรงนี้เพราะสติมั่นที่มั่นคงไม่เกิดมันได้แค่สติธรรมดาญาณปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ได้สุดตะมยะปัญญาไม่ได้ข้อมูลจากการฟังเพราะสุดตามยะปัญญาไม่เกิดพัฒนาไปสู่จินตามยะปัญญาไม่ได้เพราะไม่รู้จะคิดบนพื้นฐานอะไร มันก็เป็นการคิดเองนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วหลักการนี้หลักการคิดเองมันคือพระพุทธเจ้ากับพระปเจกใช่ไหมแต่ระดับสุดตาสาวกหรือสาวกะพุท ธ, ธะเนี่ยต้องคิดตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสุดต่าแล้วคิดให้ได้เป็นสุดตามยาปยาฟังให้เกิดความเข้าใจพอฟังให้เกิดความเข้าใจเบเสร็จปุ๊บ ก, ก็ต้องมนัสิการตามข้อมูลความรู้ให้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้น อาศัยสุดตาและจินตตาเหล่านี้เป็นฐานเพื่อให้เห็นความจริงเหมือนเราที่เคยกล่าวไว้แล้วเหมือนเราจะเป็นศึกษาเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเรียนเรื่องไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไปเสร็จปุ๊บจนการฟังให้เกิดความเข้าใจแล้วคิดพอคิดไปเสร็จปุ๊บภาคลงมือทําแล้วเรารู้กระบวนการไฟมันวิ่งยังไงมันไปยังไงมันเห็นหมดมันเข้าใจอย่างถ่องแท้จนประจักษ์เนี่ยมันจนปนประจักษ์ชัดอันนี้ก็เหมือนกัน กายมีอยู่เพียงเพื่อให้เกิดยานนะไม่ใช่มีอยู่เพื่ออย่างอื่นกายรูปกายยืนรูปกายนั่งรูปกายนอนรูปกายเดินทั้งหลายมีอยู่เพื่อให้ยานปัญญาเข้าไปเห็นความจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าใครเดินการเดินของใครเดินได้เพราะเหตุอะไรใช่ไหมใครเดินสัตว์บุคคลใดๆไม่มีนะ การเดินของใครไม่มีการเดินของหญิงของชายของสัตว์บุคคลเนี่ยเดินได้เพราะอะไรเดินได้เพราะหนึ่งมีจิตที่คิดจะเดินมีเกตจําำงความจงใจตั้งใจที่จะเดิน 2. มีวาโยธาตคือธาตุลมที่พัดผันไปตามอวัยวะทั้งหลายแล้วก็วาโยธาตเป็นเหตุผลให้มีการเดินเกิดขึ้นที่เรียกว่ากายวินยัตการเคลื่อนไหวของกายก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุสามประการนี้เกิดขึ้นจึงเรียกว่าสัตว์เดินหญิงเดินชายเดินอัตตาตัตนเป็นผู้เดินแท้ที่จริงไม่มีสัตว์อัตตาใดๆแม้สักหน่อยหนึ่งนิดหนึ่งเลยเป็นผู้เดินอาการที่รูปประทับรู ป, ปรกายที่กําลังเคลื่อนเป็นได้นั้นมีวายโยธาตผักวายโยธาตเกิดจากความประสงค์หรือกิริยาของจิตเหมือนหุน่นสายชักแล้วก็มีคนชัก ก็ต้องไปวิจัยจนเห็นความจริงอย่างนี้เวลาไปเดินหรือไปวิจัยแยกแยะจนเข้าใจความจริงเบ็ดเสร็จเวลาไปเดินปุ๊บไม่ใช่ได้แค่สติหรือสมาธิอย่างเดียวเกิดญาณนะหรือปัญญาแล้ ร, รู้แล้วเข้าใจจนในที่สุดจริงๆเห็นทองแท้จนถ่ายถอนความเป็นสัตว์อัตตาตัวตนตันหามันนทิฏฐิไม่อิงอาศัยความเข้าใจผิดว่าสัตว์เดินอัตตาตัวตนเป็นผู้เดินถอนสัตว์ตัวรรธิความเป็นสัตว์บุคคล ขอ อ, อัตตาสัญญาสัญญาจะหมายว่าอัตตามีอัตตาอยู่จริงจนถ่ายถอนความเขียนผิดเหล่านั้นได้ความเข้าใจผิดเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสัมมาทัศานะเป็นความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในการเดินในการยืนนั่งนอนเป็นต้นพอจะชัดไหมแบบนี้นี่เป็นไปลักษณะแบบนี้แต่อฐานที่เราฝึกเดินเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งแต่เพิ่มข้อมูลความรู้เข้าไปให้จนเห็นความจริงนีม พอจะชัดไหมเหลืออย่างเดียวก็คือต้องไปคิดต่อวิจัยต่อมนาสิการต่อแต่วันนี้พักก่อน <laughs>